สบายดีหรือช้อยพ่อของช้อยถามอย่างอารมณ์ดีสบายค่ะนั่นชะลอมอะไรคะลูกพลับพอเห็นมันน่ากินก็เอามาฝากอ๋อแล้วแม่เขาฝากน้ำพริกเผามาให้แม่สายด้วยอ้าวนี่แม่สายไม่มาหรือคุณอามีธุระค่ะวันนี้ฉันมากับเพื่อนนี่ไงพลอยคุณพ่อของฉันแล้วนี่ไงละ่ะ พี่เนื่องคนที่ฉะเล่าให้ฟังนะ่ะพลอยพี่เนื่องนี่ไงพลอยเพื่อนฉันช้อยแนะนำคุณพ่อและก็พี่ชายให้พลอยตอนที่ช้อยแนะนาคุณพ่อนั้นน้ำเสียงของช้อยเต็มไปด้วยความภาคภูมิใจเหมือนกับกำลังอวดของที่มีราคาสูงที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตัว พรอยยกมือไหวพ่อของช้อยอย่างนอบน้อมแต่พอมาถึงพี่เนื่องพี่ชายของช้อยพี่เนื่องมองดูพรอยอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็วิจาร์นขึ้นมาอย่างเสียเสียหายหายว่าเด็กขี้ประติว๋วหน้าตาขี้แยพิลึกพรอยได้ยินก็หน้าเสียเพราะว่าไม่เคยมีใครว่าเอาตรงๆแบบนี้พ่อของช้อยสังเกตเห็นสีหน้าของพรอยก็หัวเราะ เจ้าเนื่องจะพูด จ, จาๆกับชาวรวัาชาววังให้ระวังปากบ้างต่อไปเขาจะเป็นคุณข้างในไม่ใช่ลูกศิษย์วัดอย่างเองส่วนชอยก็โกรธประหลับประเลือกดูสิพี่เนื่องอย่ามาว่าเพื่อนฉันนะตัวนซี่ขี้แยพี่เนื่องโดนขนาบทั้งสองด้านก็หัวเราะในระหว่างนั้น ชอยก็พูดจาถามสุขทุกข์กับพ่อถามถึงเรื่องทางบ้านแล้วก็ถามอะไรต่อมิอะไรจนฟังไม่ได้สับพ่อก็ดูผัวชอยบ้างตอบปัญหาต่างๆบ้างอย่างอารมณ์ดีพ่อของชอยถามพลอยว่าแม่หนูลูกใครเมื่อพลอยบอกชื่อเจ้าคุณพ่อให้แล้ว พ่อของชอยก็บอกว่าอ้อฉันรู้จักท่านดีทีเดียวเคยเที่ยวด้วยกันมาแต่หนุ่มๆใจท่านดีหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วแล้วแม่ของหนูละ่ะชื่ออะไรปลอยตอบค่อยๆว่าชื่อแม่แชม่มแช่มไหนแช่มที่เคยอยู่ตำหนักเสด็จเนอะรึพ่อพลอยพยักหน้าคุณพ่อของชอยก็อุทานด้วยความสนใจอืมฉันเคยรู้จักแต่เขายังรุ่นสาว เห็นไปไหนมาไหนอยู่กับแม่สายอยู่เสมอหายไปหน่อยเดียวมีลูกเต้าโตโจนป่านนี้แล้วยังสวยเหมือนตะกอนไหมแม่หนูพรอยก็ไม่รู้จะตอบชมแม่ของตัวเองอย่างไรก็ได้แต่ยิ้มเมื่อตอนนั้นแม่แชมเขาสวยเอาการอยู่ถึงลือออกไปนอกวงังใครๆก็พูดถึงแม่หนูพรอยนี่ก็เถอะหน้าตาประพิมพประพายดีโตขึ้นก็เห็นจะไม่แพ้แม่ ชอยเข้ามาขัดจังหวะคุยกับพ่อต่อไปส่วนพี่เนื่องนั้นยืนยิ้มดูน้องสาวพอเหลือบไม่เห็นพลอยก็ยิ้มด้วยในที่สุดพ่อของชอยก็บอกว่าชอยกลับเข้าไปเสียเถิดบอกอาเจ้าด้วยว่าพ่อคิดถึงเอาละ่ะพ่อจะไปก่อนมีธุระจะต้องไปที่โรงโม่อีกหน่อยนึงจากนั้นชอย ก็ร่ำลาพ่อแล้วก็พี่ชายเมื่อร่ำลากันแล้วช้อยกับพลอยก็หันหลังเดินจะกลับเข้าวังแต่พลอยเดินคล้อยตามมาไม่ทันกี่ก้าวก็ได้ยินเสียงพี่เนื้อพูดแกมหัวเราะว่าระวังอย่าขี้แยให้มันมากนักนะทำให้พลอยเดินลงส้นด้วยความโกรธในขณะที่ช้อยก็หันไปค้อนให้พี่ชายหลายวงพี่เนื้อเดี๋ยวนี้ฉันเกลียดเสียจริงๆ ตั้งแต่โกนจุกแล้วไม่เหมือนเมื่อก่อนทำหนุ่มอะไรก็ไม่รู้ขวางพี่เนื่องถามฉันถึงพลอยเหมือนกันนะถามว่ายังไงก็ถามว่าอยู่ที่ไหนมาเมื่อไหร่ใ้คอเป็นอย่างไรอะไรคานองนั้นแหละแล้วชอยบอกเขาไว้ยังไงล่ะฉันก็บอกว่าพลอยเป็นเพื่อนฉันฉันรักพลอยมากแล้วเราอยู่ตําหนักเดียวกันอะไรเทือกนั้น ช้อยรู้ไหมฉันเกลียดเกลียดเด็กผู้ชายตั้งแต่อยู่ที่บ้านแล้วละ่ะฉันไม่เคยเล่นด้วยเลยทะเลนออกจะตายไปนั่นสิฉันก็เหมือนกันนะพลอยอย่างพี่เนื่องนี่เมื่อฉันอยู่บ้านไม่มีใครก็ต้องเล่นกันไปแบบนั้นแต่เดี๋ยวนี้นานๆพบกันทีฉันก็ไม่ชอบเหมือนกันพลอยรู้สึกพอใจที่ช้อยมีความเห็นตรงกันในเรื่องนี้และก็นึกในใจว่าเห็นจะคบกับช้อยไปได้อีกนาน แต่อย่างไรก็ตามทั้งที่ถูกเนื่องล้อเสียตั้งแต่ผนแรกที่พบกันพรอยก็ยังเก็บเอามาครุ่นคิดแต่แรกนั้นก็คิดถึงตัวอยากจะให้มีญาติพี่น้องหรือพ่อแม่มาหาจากนอกวังมีของเล็กๆน้อยๆมาฝากทําให้ผู้ที่ได้รับรู้สึกตัวว่าสําคัญขึ้นอย่างช้อยพ่อแม่มาหาทีไรก็มักจะมีของฝากเป็นส้มสูกลูกไม้หรือว่าของแห้งของสวนซึ่งก็มีจำนวนมากพอ ที่คุณสายจะแบ่งตั้งเครื่องเสด็จบ้างเอามาแจกจ่ายเพื่อนฝูงบ้างซึ่งช้อยก็มักจะพลอยได้หน้าได้ตาว่าเป็นของพ่อช้อยส่งเข้ามายิ่งกว่านั้นคนที่มีญาติโยมไปมาหาสู่จากนอกวังก็เป็นสิ่งที่เพิ่มความอบอุ่นในหัวใจทำให้รู้สึกว่ามีหลักมีฐานไม่ใช่คนสิ้นไร้ไม้ตอกฉะนั้นถึงแม้ว่าในขั้นแรกพลอยจะรู้สึกอาย คืออายพี่เนื่องและก็พ่อของช้อยอยู่บ้านก็ตามแต่ว่าคราวหลังๆเมื่อช้อยชวนออกไปพบกันอีกพลอยก็มักจะไปเสมอเพราะคนมาเยี่ยมนั้นทำให้เกิดมีของแปลกและใหม่ขึ้นมาบ้างสำหรับชีวิตที่จำเจ อ, อยู่เป็นประจำทุกวันและถึงแม้ว่าคนทั้งสองไม่ใช่ญาติโยมโดยตรงของพลอยแต่ก็เป็นญาติของช้อยซึ่งเป็นเพื่อนสนิททาให้พลอยได้รับส่วนแบ่งเรื่องความสาคัญบ้างเป็นบางส่วน และต่อมาอีกหลายเดือนพลอยก็รู้จักกับพ่อและก็พี่ชายของช้อยจนคุ้นเคยกันพ่อของช้อยก็ปราณีและก็รักพลอยเหมือนกับลูกสาวอีกคนหนึ่งทมาครั้งใดพลอยไม่ออกไปก็ถามถึงแล้วก็มักจะมีของกินเล็กๆน้อยๆติดมือมาฝากพลอยซึ่งสําหรับพลอยซึ่งตอนนั้นปราศจากญาติโยม สิ่งเหล่านี้ถือเป็นของที่มีค่ามากทางทจิตใจทําให้พลอยต้องตั้งหน้าตั้งตาคอยวันที่คนทั้งสองจะมาหาเท่าเๆกับช้อยเลยทีเดียวและเมื่อพลอยได้พบกับเนื่องในหัวหนต่อมาเนื่องก็ไม่ได้ล้อเลียนเหมือนครั้งแรกแต่พูดจาปราศัยด้วยโดยดีส่วนมากพลอยก็ไม่ค่อยได้พูดจาด้วยเท่าไหรนะ่นัก เพราะไม่มีเรื่องที่จะพูดได้แต่ฟังช้อยคุยซึ่งก็จะคุยเรื่องทางบ้านบ้างเล่าถึงเรื่องที่ตำหนักบ้างแต่ถึงกระนั้นก็ตามครั้งใดที่คนทั้งสองหายไปไม่มาตามกำหนดพลอยก็รู้สึกว่าเวเสียใจไม่น้อยไปกว่าช้อยและบางครั้งพ่อของช้อยมาคนเดียวไม่มีเนื่องตามหลังมาด้วยพลอยก็ต้องถามถึงถ้าหากว่าช้อยไม่ถามเสียก่อนบางครั้งบางคราว เนื่องก็มีของฝากเหมือนกันแต่ต้องมีการแอบให้ม่ให้พ่อเห็นเพราะของฝากของเนื่องส่วนใหญ่มักจะเป็นของแสลงสาะท้องซึ่งถ้าพ่อเห็นเป็นต้องห้ามเด็ดขาดเนื่องมักจะเอาห่อของเหล่านี้แอบยัดเยียดให้แก่พลอยในระหว่างที่ช้อยกำลังชวนพ่อคุยแล้วก็หันหน้าไปเสียทางอื่นแ ร, แรกที่แม่จากไปพลอยก็คิดถึงอยู่หลายวัน ถึงเสด็จจะทรงพระเมตตาทําให้พลอยคลายความวิตกต่างๆลงไปได้บ้างแต่ความคิดถึงนั้นก็ยังคงมีบ้างเป็นครั้งเป็นคราวแต่ก็มีห่างๆกันออกไปทุกที่พลอยเริ่มมีชีวิตใหม่ในวังมีความคุ้นเคยต่อสิ่งแวดล้อมต่างๆมากขึ้นพลอยเริ่มเข้าใจเรื่องต่างๆที่คนพูดกันเริ่มรู้ว่าชาววังใครชอบใครใครเกลียดกับใครใครรักกับใคร ตำแหน่งหน้าที่ต่างๆเช่นคุณจอมมารดาคุณจอมเท้านางเท่าแก่พนักงานตลอดจนโขนจา่าและกรมวังพรอยก็เริ่มจะรู้จักเข้าใจและปฏิบัติตนได้ถูกกับหน้าที่ต่างๆที่เป็นของตัวเป็นต้นว่าขึ้นเฝ้าเสด็จคอยรับใช้หรือถวายอยู่งานพัดในเวลาเสวยทำให้พรอยได้รู้เหตุการณ์หลายอย่างทั้งในวังและนอกวังเพราะเสด็จรับสั่งถึง รวมไปถึงการฝีมือการทำดอกไม้ทำกับข้าวทำขนมพรอยก็เริ่มจะได้รับการอบรมสั่งสอนโดยไม่รู้ตัวอาศัยดูผู้ใหญ่ทําหรือว่าถูกเรียกให้ช่วยทาจนในที่สุดสับแสงที่ใช้กันในวังซึ่งคนข้างนอกไม่รู้พรอยก็เริ่มเข้าใจและก็ใช้ได้ถูกต้องเช่นมีงานการอย่างใหญ่ต้องตเตรียมมาก ชาววังก็มักจะพูดกันว่าเรากับรับซาเรวิสอันนี้ก็เป็นภาษาชาววังอย่างหนึ่งนะคะเรากับรับซาเรวิสซึ่งพลอยก็เข้าใจว่าเป็นงานใหญ่โดยไม่ต้องรู้ว่าซาเรวิสคือพระเจ้าซานิโคลัสที่สองเมื่อเสด็จเมืองไทยสมัยที่เป็นมกุฎราชกุมารประเทศรัศเสเซีย ทางวังมีการเตรียมรับเสด็จเป็นการใหญ่จนกลายเป็นคำพูดติดปากว่าใหญ่เรากับรับซารวิสก็แสดงว่าตอนนั้นเนี่ยงานใหญ่มากนะคะหรือคำว่าเฟรนที่ใช้สำหรับชาววังที่รักกันมากจนเกินขนาดก็พอจะเดาความหมายได้รางๆทั้งที่พลอยก็ไม่รู้ว่าคำนั้นมาจากคำภาษาอังกฤษว่า ที่แปลว่าเพื่อนแต่ว่าชาววังจะเรียกว่าเฟรนด์เมื่อพลอยอยู่ในวังต่อมาอีกสองสาเดือนความคิดถึงแม่ก็เกือบจะจางหมดไปมีแต่ความระลึกถึงนั่นก็คือเมื่อ น, นึกถึงแม่ทีไรก็นึกถึงด้วยความรักความปิติไม่ได้นึกถึงด้วยความทุกข์อันเกิดจากความปรารถนาที่จะอยู่ใกล้กับตัวแม่ หรือติดตามแม่ไปไหนๆอีกต่อไปชีวิตในวังของพลอยชั่วระยะเวลาหเดือนเศษทำให้พลอยเป็นเด็กที่เลี้ยงตัวได้เองไม่ต้องมีผู้ใหญ่มาคอยห่วงเรื่องจะกินจะนอนหรือจะอาบน้ำวันหนึง่งขณะที่พลอยหมอบถวายอยู่งานพัสเสด็จ ในขณะที่เสด็จสวยเครื่องกลางวันเสด็จท่งเล่าเรื่องเมื่อครั้งส่งพระยาพลอยฟังอย่างเพลิดเพลินทำใดนั้นช้อยขึ้นมาทางบันไดหลังตำหนักก็คลานกระหืดกระหอบเหงื่อท่วมตัวเข้ามาหมอบอยู่ข้างๆเอามือคว้าด้ามพัดไปจากมือพลอย แล้วก็ถวายอยู่งานแทนพานกระซิบอย่างตื่นเต้นพรอยรีบลงไปที่ห้องเถอะฉันจะถวายอยู่งานแทนเรื่องอะไรกันช้อยรีบลงไปเถินหน้าคุณอาสั่งไม่ให้ฉันบอกเดี๋ยวพลอยไปก็รู้เองละกันพรอยคานถอยหลังออกไปด้วยใจเต้นตึกตัก๊กพอคานถึงหัวมุมระเบียงด้านหลัง รับพระเนตรเสด็จพรอยก็ลุกขึ้นวิ่งเบาๆลงบันไดหลังแล้วก็วิ่งตรงไปยังห้องคุณสายทันที อพลอยเดินไปถึงหน้าประตูยังไม่ทันจะเข้าไปข้างในหัวใจของพลอยก็พองโตจนแทบจะระเบิดออกด้วยความดีใจพลอยได้ยินเสียงแม่พูดอยู่ในห้องของคุณซ้ายอย่างชัดเจนแม่พลอยร้องได้คำเดียวแล้วก็โผตัวเข้าไปในห้องรู้สึกตัวอีกทีพลอยก็อยู่บนตักแม่ กอดแม่เอาไว้แน่นหัวเราะแล้วก็ร้องไห้ไปพร้อมกันแม่เองก็รัดตัวพลอยไว้แน่นจูบแล้วจูบอีกทั้งกอดจูบพลอยแล้วก็หัวเราะทั้งน้าตาด้วยความดีใจโดยมีคุณสายนั่งยิ้มดูอย่างพอใจเสียเป็นที่สุดแล้วพลอยดูสิ โตขึ้นเป็นกองแม่เกือบจำไม่ได้แล้วกระโดดเข้าใส่แม่ซะเต็มแรงแบบนี้ขาแข็งแม่จะหักตายแม่มาถึงเมื่อไหร่จ๊ะเพิ่งมาถึงเดี๋ยวนี้แหละลูกยังไม่ได้ลูบเนื้อลูบตัวเลยพอขึ้นจากเรือมาจากฉะเชิงเซาแม่ก็เข้ามาทีเดียวพรอยเป็นยังไงบ้างลูกเจ็บไข้หรือเปล่าแล้วก็ดื้อหรือเปล่า คิดถึงแม่มากไหมโถแม่คิดถึงจะตายไปแม่ทาไมไปนานนักว่ะจ๊ะก็นั่นแหละลูกแม่ออกไปอยู่หัวเมืองไปมาไม่ใช่ง่ายๆคิดถึงลูกใจจะขาดแม่จึงได้เข้ามานี่เคราะดีญาติของแม่เข้าหาเรือมาส่งไม่อย่างนั้นก็ไม่ได้เข้ามาหรอกไหนออกนั่งห่างๆให้แม่ดูได้ทั่วสักที ว่าพลอยลูกแม่โตขึ้นแค่ไหนแล้วพลอยกระเถิบออกนั่งห่างตัวแม่ตามที่แม่บอกแม่ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่มองพลอยตั้งแต่หัวไปจนทั่วตัวเหมือนกับว่าจะดูไม่เบื่อผิวพรรณดีขึ้นกว่าแต่กอดเป็นกองจริตกิริยาก็เป็นชา ว, วังเข้าแล้วคุณคะลูกสาวฉันนี่โตขึ้น ถ้าจะสวยเอาการทีเดียวนะคะฉันก็ว่าอย่างนั้นแหละเห็นจะสวยไม่แพ้แม่ทีเดียวปุ้ยคุณก็ช่างไปสวยงามเสียเมื่อไหร่ละคะเมื่อเด็กๆ เ, เท่านี้ขี้ริ้วจะตายไปพรอยเขาสวยกว่าเป็นกองในขณะนั้นนางพิษแล้วก็ผู้หญิงแก่ๆหน้าตาเป็นชาวบ้านอีกคนนึงก็เริ่มขนข้าวข อ, ของของแม่เข้ามาวางในห้องผู้หญิงแก่คนนั้น แม่บอกว่าชื่อยายเสมเป็นบ่าวที่แม่ช่วยไว้เพิ่มเติมจากนางพิษอีกคนหนึ่งเพราะอยู่บ้านนอกนางพิศคนเดียวไม่พอทำงานหนักฝ่ายนางพิศพอเห็นหน้าพลอยก็ร้องไห้โฮเหมือนกับใครตายครานตะปุกตะปับเข้ามาจับตัวพลอยขึ้นทูลหัวทูลกล้าวแล้วก็ร้องว่าโอ้โหคุณพลอยโตขึ้นจนบ่าวผิดตาบ่าวคิดถึงคุณพลอยเหลือเกิน แล้วก็เริ่มร้องไห้ต่อไปจนกระทั่งแม่ต้องดุแล้วก็ไล่ให้ไปขนของต่อจึงถอยไปของที่แม่เอามาคราวนี้ดูมากมายนักหนานับของที่ใส่ฉลอมก็สิบกว่าฉลอมมีลูกไม้กล้วยอ้อยจากบ้านนอกบ้างซึ่งแม่บอกว่าเอามาฝากเพื่อนฝูงไข่ทั้งจืดทั้งเค็มแล้วก็ปลาแห้งปลากรอบซึ่งแม่บอกว่าจะเอามาถวายเสด็จ คัดเลือกเอามาแต่ของที่ดีๆทั้งสิ้นทําให้คุณสายต้องสับพยอกขึ้นว่าฉันอิจฉาเสด็จเสียแล้วละ่ะข้าหลวงของท่านช่างดีเสียจริงๆไปไหนมาเจ็ดร้อยย่านน้ําก็ต้องหาของมาถวายเสียจนขนกันครึ่งวันก็ไม่หมดคุณไม่ต้องอิจฉาหรอกคะ่ะของฝากคุณดิฉันก็หามาพอๆกับของถวายนั่นแหละสาธุแม่คุน ฉันก็พลอยใหญ่โตมีของถวายไปด้วยคราวนี้เองคุณสายหัวเราะในขณะที่แม่หันไปหยิบฉลอมมาใบหนึ่งแล้วก็เรียกพลอยเข้ามาอยู่ใกล้ๆพลอยมาดูอะไรนี่สิแม่หามาฝากแล้วแม่ก็หยิบฉลอมเล็กๆหน้าเอ็นดูเป็นที่สุดขึ้นมาหลายฉลอมฉลอมหนึ่งมีปลากรอบตัวเล็กๆ เ, เ, เท่านิ้วก้อยเข้าไม้ตับเอาไว้อย่างกลับเป็นของจริงๆ อีกฉลอมหนึ่งมีมะขามป้อมลูกเล็กๆได้ขนาดอีกฉลอมหนึ่งใส่ไข่เต่าเปลือกขาวสะอาดอีกฉลอมหนึ่งนั้นใส่ไข่เค็มทําด้วยไข่นกกระจาบพอกที่เท่าสีดําลูกเล็กๆไม่เกินปลายหัวแม่มือแต่สิ่งสุดท้ายที่แม่ล้วงจากฉลอมก็คือทุเรียนกวนพวงหนึ่งห่อกราบมาเรียบร้อยเป็นห่อเล็กๆแต่และห่อ หน้าเอ็นดูเพียงจะขาดใจตายช่างทำหน้าเอ็นดูจริงๆแม่แช่มนี่ไม่ทิ้งนิสัยชา ว, วังไม่ว่าจะไปไหนก็ช่างคิดช่างทำอยู่เสมอพรอยได้แต่นั่งตะลึงไม่กล้าจับต้องของเหล่านั้นเพราะความดีใจที่แม่กลับและความตื่นเต้นในของแปลกที่น่ารักหน้าเอ็นดูที่แม่หามาให้ ถูกใจไ้ยลูกแม่หยิบของต่างๆออกมาวางกับพื้นห้องแล้วก็หันมาถามพลอยแผนที่คำตอบพลอยโผลเข้ากอดแม่เสียแน่นเพราะความรู้สึกที่มีอยู่ในใจนั้นมีมากมายเกินคำตอบแม่จ๋าของนี่ ฉันแบ่งให้คนอื่นบ้างได้ไหมได้สิลูกแม่นึกแล้วว่าพลอยต้องมีเพื่อนมีฝูงมากก็เลยหาของมาเผื่อให้พอพลอยจะได้แจกเพื่อนฝูงให้สบายใจพลอยได้ยินดังนั้นก็ใจพองโตขึ้นอีกหลวงหยิบของฉลอมเล็กๆออกมาวางคัดไว้เป็นพวกๆในใจก็นั่งคิดว่าจะแจกใครบ้างใครควรจะได้อะไร ในขณะที่ตอนนั้นแม่ก็เริ่มคุยกับคุณสายถ้าค้าขายไปได้อย่างนี้ฉันก็เห็นจะพอตั้งตัวลืมหน้าอ้าปากกับเขาได้แม่แช่ค้าขายอะไรนะก็รับซื้อของพวกผักปลาจากชาวบ้านฉันซื้อแผะเขาไว้ค่ะพวกพร้อมเขาขายให้ถูกๆรับซื้อจากเกลือก็เอาขึ้นแผะไว้ บางทีก็มีเรือกรุงเทพเขาไปรับซื้อแต่พ่อชิมเขาบอกว่ากำไรไม่งามเขามีเรือหลายลำเขาว่าให้เอาใส่เรือมาส่งกรุงเทพแล้วก็ซื้อของกรุงเทพพวกผ้าผ่อนถ้วยโถโอชามกลับไปขายได้อัดมากกว่าฉันมาคราวนี้ก็เอาของใส่เรือมาด้วยนึกว่าจะซื้อของกลับไปเหมือนกันพ่อชิมนี่ใครกันคุณสายถาม คางเพ่งดูหน้าแม่อย่างเอาจริงเอาจังก็เขาเป็นญาติทางห่างกับฉันเองละคะ่ะแม่ตอบแล้วก็หลบสายตาคุณสายจะเป็นด้วยอุปทานหรือว่าจะเป็นด้วยแสงสว่างที่เข้ามาทางหน้าต่างก็สุดที่จะเดาพลอยสังเกตเห็นหน้าแม่เป็นสีชมพูเรื่อเรื่อฉันก็เคยบอกคุณแล้วนี่คะ ว่าฉันมีญาติอยู่ทางฉะเชิงเซาถ้าเป็นญาติเป็นโยมไว้ใจกันได้ก่อนแล้วไปคุณสายพูดแล้วก็ถอนใจใหญ่แม่แช่มกับฉันก็คนโตโตอยู่ด้วยกันแล้วแม่แช่มจะทำอะไรก็เป็นเรื่องของแม่แชม่มฉันก็ไม่ควรจะเข้าไปยุ่งไปเกี่ยวแต่ก็นั่นแหละนะแม่แช่มกับฉันก็อยู่ด้วยกันมาก่อนฉันก็รักแม่แช่มเหมือนน้องลูกแม่แชม่มฉันก็รักเหมือนลูกในใจ ก็อยากจะพูดแต่เพียงว่าแม่แชมจะทำอะไรก็ขอให้คิดให้ดีๆไม่คิดถึงตัวก็คิดถึงลูกบ้างเพราะเด็กมีชาติมีสกุลดีไม่ดีเขาจะว่าเอาได้ก็เพราฉันเห็นกับลูกสิคะคุณฉันถึงยอมทนยากทนลำบากต่อไปเด็กจะได้ไม่น้อยหน้าใครๆที่คุดดูถูกพากันหมายหน้าไว้ว่าจะไม่มีวันได้ดีถึงอย่างนั้นก็เถอะคนอย่างฉัน อย่างแม่แช่มเกิดมาเป็นตัวก็เคยอยู่เคยสบายอาศัยบุญเจ้านายคุ้มครองตัวงานหนักงานหนาก็ไม่เคยทำแม่แช่มจะไปทำไหวหรือคนเดียวนั่นนะ่ะถึงจะมีญาติผู้ชายมาช่วยคิดช่วยอ่านแม่แช่มก็ดูเสียให้ดีหรือเปล่าว่าเขาจะมาอีท่าไหนพลาดพลั้งลงไปก็จะเสียมาถึงลูกแม่เหลือบชำเลืองมองพลอยแล้วก็ก้มหน้านิ่งคุณสายนั่งมองแม่อยู่ครู่หนึ่ง แล้วก็พูดขึ้นอย่างปรงตกว่าไม่แช่มย่ามาถือสาฉันเลยนะฉันมันคังคกในกัลลาไม่มีหูมีตาเคยเห็นอะไรข้างนอกรักใครก็อยากจะให้ได้ดีฉันพูดมากไปเองละไปลูบเนื้อลูบตัวซะเถอะเดี๋ยวจะได้ขึ้นเฝ้าเสด็จด้วยกันของถวายเป็นกายเป็นกองอย่างนี้ดีพระไทยตายแน่ แม่หัวเราะแล้วก็ออกไปรูปตัวนอกห้องหลังจากนั้นก็ขึ้นเฝ้าเสด็จพร้อมด้วยของถวายทําให้พลอยดีใจจนบอกไม่ถูกเพราะเสด็จทรงตื่นเต้นกับของจากบ้านนอกที่แม่หามาถวายจริงๆพลอยดีใจมากเพราะว่าของเหล่านั้นแม่ของพลอยเป็นผู้ถวายและผู้ที่ได้รับก็คือเสด็จของพลอยเองพลอยยังเด็กไปที่จะรู้ว่า การที่เสด็จดีพระไทยเป็นการเอกระเริกนั้นก็เพราะโปรดตัวผู้ให้ถ้าหากแม่ของพลอยจะนําไข่เป็ดเพียงลูกเดียวหรือปลากรอบเพียงตัวเดียวแล้วห่อผ้ามาถวายเสด็จก็คงจะดีพระไทยเท่ากันคืนวันนั้นเองพลอยก็ได้นอนกับแม่ด้วยความอุ่นใจเป็นที่สุด แม่กอดพลอยไว้ข้างๆตัวแล้วกระซิบถามว่ารักแม่ไหมพลอยรักจะแม่รักเท่าไหนรักเท่าฟ้าจ้ะพลอยตอบอย่างเคยทุกทีที่แม่ถามแม่หัวเราะเบาๆจูบแก้มพลอยแล้วกระซิบถามว่าพลอยถ้าแม่จะมีพ่อใหม่พลอยจะว่ายังไร ก็พลอยมีเจ้าคุณพ่ออยู่แล้วนี่จะแม่พลอยตอบอย่างสงสัยไม่รู้จริงๆว่าจะมีพ่อพร้อมกันสองคนได้อย่างไรแม่นิ่งแต่ในที่สุดก็พูดขึ้นมาว่านอนสืบเถิดพลอยแม่เอาเรื่องอะไรมาพูดก็ไม่รู้อีกครู่หนึ่งแม่ก็ปรารถขึ้นเบาๆกับความมืดว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นแต่ต้นอยู่ฟ้าข้างโน้น ไม่ได้อยู่ในมุ้งนี่พรอยไม่ได้สนใจเท่าไรเพราะตอนนั้นพรอยเกือบจะหลับอยู่แล้วแม่เข้ามาอยู่ในวังกับพรอยเราเราวสิบวัน ในระหว่างสิบวันนี้พลอยได้พบแม่เฉพาะตอนเช้าแล้วก็ตอนบ่ายเวลากลางวันแม่จะออกไปนอกวังทุกวันบอกว่าจะไปทำธุระเอื่องค้าขายทุกวันที่แม่กลับเข้ามาจากข้างนอกแม่จะมีขนมหรือของกินมาฝากพลอยเสมอแต่พลอยสังเกตเห็นกิริยาของแม่ผิดแปลกไปจากปกติบางที แม่ก็นั่งเมอเหมือนกับจะคิดอะไรอย่างใจลอยบางคราวก็เหมือนกับนึกถึงสิ่งที่รื่นรมใจแล้วก็ซ่อนยิ้มไว้ในใบหน้าแต่บางคราวเวลานอนอยู่ได้กันกลางคืนแม่เอื้อมแขนมากอดพลอยไว้แล้วก็ถอนใจใหญ่หญบ่อยครั้งหลังจากคืนแรกที่แม่มาถึงแล้วแม่ก็ไม่ได้เอ่ยปากพูดถึงคนอื่น หรือตั้งปัญหาถามพรอยเรื่องที่จะมีพ่อใหม่อีกดีหรือไม่อีกเลยเมื่อแม่อัมลาว่าจะกลับไปฉะเชิงเราเพราะกิจธุระทางกรุงเทพเสร็จแล้วและเรือที่อาศัยเขามานั้นคอยอยู่พรอยก็ไม่ได้รู้สึกเสียใจเหมือนคราวก่อนเห็นจริงเสียแล้วว่าถึงเวลาที่แม่ จำจะต้องจากไปและเดี๋ยวแม่ก็จะต้องกลับมาอีกในวันข้างหน้าและของต่างๆที่แม่นํามาฝากจากบ้านนอกนั้นก็ดูเหมือนจะคุ้มกับความคิดถึงที่พลอยต้องอดทนและเมื่อแม่จากไปอีกเป็นหนที่สองพลอยก็ไม่ได้รู้สึกว่าตนถูกทอดทิ้งเหมือนเมื่อครั้งแรก ขณะนี้พลอยรู้สึกว่าตนมีส่วนอยู่ในชีวิตในวังหลวงมีพวกพ้องเพื่อนฝูงที่ยอมรับว่าพลอยเป็นคนหนึ่งในหมู่ของตนมีเสด็จเป็นศูนย์กลางแห่งชีวิตในวังมีหน้าที่เล็กๆน้อยๆที่จะต้องทำทุกวันทำให้เวลาแต่ละวันผ่านไปโดยไม่เปล่าเปลี่ยว ตอนนี้พลอยเริ่มรู้สึกตัวว่าชีวิตในวังนั้นก็ไม่ใช่ว่าจะคงที่เป็นปกติอยู่ตลอดไปตามธรรมดาชีวิตประจำวันก็มีเรื่องต่างๆเกี่ยวกับส่วนตัว บ, บุคคลสำหรับพูดสำหรับวิจารณ์ซึ่งทำให้พลอยที่ยังเป็นเด็กได้แต่คอยฟังอยู่เสมอและนอกจากนั้นก็มีงานต่างๆซึ่งทาให้พลอยต้องใจเต้นประทึกอยู่เป็นระยะ ะ, ยะใจเต้นประทึกด้วยความหวังว่า จะได้เที่ยวสนุกและงานที่พลอยเห็นว่าสนุกเป็นนักหนาและอีกหลายสิบปีต่อมาถึงแม้ว่าพลอยจะมีอายุมากแล้วแต่เมื่อนึกถึงก็ยังอดใจเต้นไม่ได้นั่นก็คืองานโสกันทุนกระหม่อมฟ้าพระเจ้าลูกยาเธอก่อนจะถึงกำหนดซึ่งจะมีงานโสกันก็จะมีข่าวลือผ่านมาทางปากผู้ใหญ่ว่าจะมีอะไรบ้างเช่น ใครจะได้เป็นนางสะเข้ากระบวนแห่ใครจะถือมายุรชัตใครจะได้เป็นนางเชิญเครื่องและนางพัดท่านกาหนดให้แต่งตัวอย่างไรจะสวยหรือไม่ต่อไปก็จะถึงเรื่องทุนกระหม่อมที่จะโสกันว่าจะทรงเครื่องอย่างไรบ้างในวันฟังสวดทั้งสามและในวันโสกันหรือวันสมโพธและเขาไกลลาดที่จะมีในงานโสกันนั้นจะตกแต่งงดงามน่าสนุกสักเพียงใด เรื่องเล่าเหล่านี้พลอยฟังได้ไม่มีเบื่อยิ่งใกล้กำหนดเข้ามาพลอยก็ยิ่งตื่นเต้นเร่งวันเร่งคืนที่จะให้ถึงกำหนดงานเร็วๆบางคืนคิดถึงแต่เรื่องงานจนนอนไม่หลับในเทศกาลเช่นนี้ค่ะชาววังก็จะต้องตระเตรียมเครื่องแต่งตัวเข้าของเครื่องประดับบางรายที่เอาของไปเที่ยวจำนําไว้ก็ต้องหาหนทางที่จะไถ่ถอนเอามาแต่งตัวให้ได้ ยิงไกลวันงานเข้าไปทั้งพลอยและช้อยก็อดรนทนไม่ไหวกลางวันว่างๆก็จะชวนกันเล็ดลอดหนีจากตำหนักออกทางประตูย่ำคำ่ำไปดูเขาสร้างเขาไกลลาดที่ข้างๆพระที่นั่งอมริงเริ่มดูตั้งแต่เขาไกลลาดยังเป็นโครงไม้ไผ่สารจนถึงตอนที่เขาเอาแผ่นดีบุกคุ้มแล้วก็ทาสีให้เหมือนสิลาจริง ทุกครั้งที่ไปดูก็จะเห็นเขาไกร ล, ลาดอันเป็นที่ส่งน้ำหลังโสกันนั้นผิดตาไปทุกครั้งจนในที่สุดเมื่อใกล้วันงานเขา้ามณฑบใหญ่ยอดเขาก็สร้างเสร็จบุตรบกที่สงก็เสร็จลงข้างๆกันเจ้าพนักงานก็จะเริ่มใส่ต้นไม้ต่างๆแล้วก็ต่อท่อน้ำพุในเขามีการกั้นระราชวัตรปักชัดโดยรอบบริเวณเขาไกร ล, ลาด เกี่ยวกับความเคลื่อนไหวต่างๆเหล่านี้ดูเหมือนว่าพลอยกับชอยจะรู้เรื่องมากกว่าใครๆในตำหนักแม้แต่เสด็จยังต้องมีรับสั่งถามออกบ่อยๆจนชอยและพรอยกลายเป็นพนักงานรายงานเกือบทุกเวลาเสวยว่าตอนนี้อะไรคืบหน้าไปแค่ไหนแล้วจนกระทั่งในที่สุดค่ะก็ถึงวันที่ทุกคนเฝ้าคอยคือวันที่เจ้านายที่โศกันเสด็จออกฟังสวดวันแรก ช้อยและพลอยไปคอยดูแห่ตั้งแต่ตอนกลางวันพอตกบ่ายก็ได้เห็นกระบวนแห่ผ่านจากพระราชฐานชั้นในออกมายังเขตพระราชฐานชั้นนอกในระหว่างที่คอยดูแห่ทั้งพลอยและช้อยก็รู้สึกร้อนจนเหงื่อตกเปียกชุ่มไปทั้งตัวไหนจะแดดที่กระทบกับพื้นหินเป็นไอร้อนกลับขึ้นมาไหนจะต้องเบียดเสียดยัดเยียดกับคนที่มาคอยดูแห่เช่นกัน ทั้งคู่ก็จูงมือกันแน่นล่ะค่ะถ้าไม่เช่นนั้นก็อาจจะพัดหลงกันได้ง่ายๆพอพระเจ้ายูหัวเสด็จออกส่งทูลกระหม่อมขึ้นพระญาณมาร์เสียงประโคมสังตแตรจากข้างในบอกให้พลอยรู้ว่ากระบวนแหกกำลังจะเริ่มความร้อนก็หายไปเพราะความตื่นเต้นทำให้พลอยลืมทุกอย่างนอกจากจะดูให้เห็นในสิ่งที่ยังไม่เคยเห็น ต้นกระบวนแหเป็นทหารเดินแถวเป่าตแตรวงมีทหารแบกตื่นเดินก้าวเท้าพร้อมกันได้จังหวะเดินผ่านไปกองร้อยหนึ่งก่อนเสียงกองใหญ่ตแตรวงตีเป็นจังหวะเร้าใจพอเสียงกองตแตรวงไกลออกไปเสียงกองแขกคู่หนึ่งที่นำกระบวนลังก็ดังใกล้เข้ามาและเสียงปี่ชวาเจ้ยแจ้วก็ดังขึ้นแทนเสียงตแตรฝรั่งที่ค่อยๆเบาลง มีขุนนางเดินประนมมือเป็นคู่เคียงเป็นคู่คู่ถัดจากนั้นก็จะเป็นคู่แห่มหาดเล็กที่เดินมาเป็นคู่คู่เช่นกันแล้วจึงถึงกระบวนเด็กๆที่มาเข้ากระบวนแห่ตามติดมาด้วยหมวดกรองชนะและแกรสังซึ่งเป่าเป็นระยะระซองข้างเป็นพวกเครื่องสูงมีคนแต่งเป็นอินพรมเดินถือเครื่องสูงพวกฉัดและก็บังแทก และดูสลางเหมือนกับต้นไม้ที่เดินได้จากนั้นก็ถึงพวกพราหมณ์ที่เข้ากระบวนมีทั้งพราหมณ์เป่าสังและแก่งกรองเล็กๆสองหน้ามีเสาปักกลางมีลูกตุ้มแขวนที่เรียกว่าไม้บันดอกเสียงดังปุงปังแล้วก็มีพราหม์โปรยเข้าตอกในระหว่างเครื่องสูงที่เชิญมาสลับสลอนนั้นมีมหาดเล็กถือพระแสงเดินแสงอยู่ด้วยต่อจากนั้นไป พวกผู้หญิงที่มาดูแห่ซุบซิบกันด้วยความสนใจและสะกิดกันให้ดูจุดที่สนใจก็คือเด็กผู้ชายเล็กๆสองคนแต่งตัวสวยงามถือขนนกกระเว้มีเสียงกระซิบกันว่าน่ารักหรือว่าน่าเอ็นดูดังอยู่ทั่วไปแล้วจึงถึงนางมายุรชาตอีกคู่หนึ่งแต่งกายนุ่งยกจีบผอมผ้านางประดับอาพรด้วยเครื่องทองที่เป็นของจริงเดินถือหางนกยูง ตามติดติดมาด้วยเด็กผู้หญิงอีกคู่หนึ่งแต่งกายคล้ายๆกันแต่ในมือถือกิ่งไม้เงินทองแล้วจึงถึงพระยานมาศอันมีทูลกระม่อมประทับอยู่แต่งองค์ด้วยเครื่องเพชรล้วนต้องแสงแดดยามบ่ายเป็นประกายจนทุกคนที่คอยดูแห่อยู่อดอุทานไม่ได้ว่างามจริงถาาจากนั้นไปก็เป็นกระบวนขุนนางตามเสด็จและนางเชิญเครื่องและก็นางพัดอีกเจ็ดคน แล้วจึงถึงพวกนางสะและพวกข้าหลวงตามเสด็จตอนนี้ที่ความสนใจของคนดูจะมีมากขึ้นเพราะคนนี้ก็รู้จักคนนั้นคนนั้นก็รู้จักคนโน้นต่างพากันสกิดให้ดูกันอยู่ทั่วๆไปพรอยและช้อยไม่สนใจกระบวนแห่ตอนท้ายเท่าไหรนะ่นักเพราะว่าพอได้เลิเริ่มเคลื่อนกระบวน การมหหรสพทั้งหลายทั้งปวงที่มีอยู่ในสนามข้างหน้าก็เริ่มลงโรงพร้อมกันทั้งคู่ก็จุงมือกันเตรไปทางด้านโรงมโหรสพที่ตรงสนามหลังวัดพระแก้วมีการละเล่นที่น่าดูอยู่หลายอย่างมีไม้ลอยซึ่งคนปีนไม้สูงขึ้นไปอยู่บนยอดมีไต่ลวดและการแสดงโลดพลนอื่นๆที่พลอยชอบมากที่สุด คือกะอ้ ว, อวแทงควายมีคนสองคนเข้าไปอยู่ในผ้าคลุมถือหัวควายแล้วก็แสดงกิริยาท่าทางเหมือนควายจริงๆแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งเล่นเป็นผัวนางกะอ้ ว, อวถือหอกไล่แทงควายมีคนแต่งเป็นนางกะอั้ ว, อ, วอย่างตลกหน้าหัวเราะถือร่มขาดแล้วก็กระเดียดกระจัดคอยวิ่งตามหลังส่วนควายนั้นก็วิ่งไล่ขิดคนทั้งสองซึ่งหนีควายบ้างแล้วก็สู้บ้าง โดยท่าทางที่ทําให้คนดูหัวเราะกระจับท้องคัดท้องแข็งดูเท่าไหร่ก็ไม่เบื่อส่วนการละเล่นที่เรียกว่าโมงครุ่มและระเบงนั้นผ่านไปดูได้ประเดี๋ยวหนึ่งช้อยก็ชวนไปที่อื่นโดยบอกว่าเบื่อไม่เห็นจะมีอะไรร้องซ้ซําๆำซากๆอยู่ได้นี่คือบรรยากาศของงานโสกันของเจ้านายนะคะงานในความทรงจําของพลอยที่เล่าไปเป็นงานช่วงรางวัลค่ะ พอตกค่ำถึงเวลาเริ่มจุดไฟทั้งชอยและพลอยก็ไปอยู่ที่เขาไกลลาดนะคะไม่ไปที่อื่นละ่ะเดินวนกันแบบไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยจนนับรอบไม่ท่วนเพราะว่าเวลากลางคืนและแสงไฟที่ประดับประดาไว้ได้เปลี่ยนสภาพเขาไกลลาดที่ทำด้วยไม้ไผ่และดีบุกให้กลายเป็นเขาไกลลาดในเทพนิยายไปได้จริงๆ ต้นไม้ต่างๆที่ปลูกไว้ก็ดูระยิบระยับไปด้วยดอกไม้ที่ถูกแสงไฟและลูกแก้วสีต่างๆที่แขวนเอาไว้รูปภาพต่างๆถูกแสงไฟเข้าก็กลับมีชีวิตชีวาไม่ว่าจะเป็นรูปเทวดาหรือรูปสัตว์ที่เรียงรายอยู่ทั่วไปตามเชิงเขาไกลลาดนั้นก็ทาเป็นขูหาแต่ละขูหาก็ตั้งตุ๊กตาไขไกลไกกระดิกตัวเคลื่อนไหวได้เหมือนคนจริงๆ แต่ละคูหาแสดงเรื่องต่างๆมีรามเกียร์บ้างอีหนาบ้างสังทองบ้างโดยจับเอาตอนใดตอนหนึ่งมาแสดงซึ่งแสดงเป็นภาพด้วยตุ๊กตากลซ้าอยู่ไม่รู้จบซึ่งพลอยก็ยืนดูอยู่ได้แบบไม่รู้เบื่อเรียกว่าดูกันแบบลืมหิวลืมง่วงกันเลยทีเดียวแม้แต่จะหนาวจะร้อนก็แทบไม่รู้สึกจะตกดึกน้าค้างเริ่มลงจึงกลับตาหนัก พร้อมด้วยความเหนื่อยอ่อนและอิ่มใจที่ได้เที่ยวสนุกแต่พอรุ่งขึ้นพลอยก็กระวนกระวายอยากไปดูงานอีกแล้วก็ได้ดูตลอดงานซึ่งกินเวลาหลายวันพอเสร็จงานแล้วสเสด็จถึงกับทรงทักว่านั่งพลอยเที่ยวงานซะจนผอมเมื่อมีงานครั้งนั้นพลอยได้เห็นทั้งพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จ ตลอดจนเจ้านายพระองค์อื่นๆอย่างใกล้ชิดพรอยได้เห็นพระเจ้าอยู่หัวหลายครั้งขณะที่เสด็จออกรับพระกรทูลกระหม่อมในงานโสกันและตอนกลางคืนขณะที่ยืนดูเขาไกลลาดเพลินอยู่ก็มีเสียงโขนร้องลากเสียงมาแต่ไกลว่าห้ามคนให้หยุดเป็นสัญญาณว่าเสด็จลงทอดพระเนตรงานพรอยรีบฉุดตัวพรอย ให้ก้มลงหมอบเงยหน้าขึ้นมาอีกทีก็แลเห็นพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพร้อมด้วยเจ้านายทรงพระยาวอีกหลายพระองค์เสด็จพระราชดำเนินผ่านมาใกล้ๆพรอยขนลุกซู่ไปทั้งตัวรู้สึกว่าหัวพองโตการอบรมสั่งสอนที่ได้รับมาจากพ่อแม่และบรรพบุรุษมิรู้กี่ชั่วคนให้จงรักพักดีให้กะตันยูต่อพระเจ้าอยู่หัว และให้เกรงกลัวอาญาจากเจ้าชีวิตของตนนั้นเดือดพล่านอยู่ในหัวใจทั้งที่พลอยยังเป็นเด็กความรู้สึกในขณะนั้นบอกไม่ถูกจะเรียกว่าเป็นความปิติยินดีสุดขีดที่ได้เฝ้าแหนจนใกล้ชิดก็ได้หรือจะเรียกว่าเป็นความเกรงกลัวขนาดขนพองสยองกล้าวก็ได้เหมือนกันพลอยรีบฟุบหน้าลงกราบแล้วก็ก้มหน้านิ่งอยู่ ไม่กล้าเงยหน้าขึ้นมองดูต่อไปแต่มีความรู้สึกบอกได้ว่าได้เสด็จพระราช ด, ดำเนินผ่านไปอย่างช้าๆมีเสียงเจ้านายเล็กๆทรงพระสวนและต่อมาก็จะยินเสียงข้างในตามเสด็จพูดคุยแล้วก็หัวรอ ก, กันเบาๆพลอยหมอบอยู่อีกนานไม่กล้าที่จะเงยหน้าจนรู้สึกชาที่ขาพับเหมือนกับจะเป็นเน็บ ทันใดนั้นชอยเอื้อมมือมาสะกิดแล้วก็บอกว่าพลอยดูสิเสด็จก็เสด็จและทันใดนั้นก็มีเสียงของเสด็จเสียงที่พลอยได้ยินอยู่จนเจนหูก็ดังขึ้นว่าอา้าวนั่งพลอยกับนังช้อยมาหมอบกระแตอยู่ที่นี่เองทั้งช้อยและพลอยเงยหน้าขึ้นยิ้ม ดูสิพอทักข้อหน่อยก็เลยทําท่าเฝ้าแหนบราวกับเป็นพระญาตดอา้าวถือนี่ไปแล้วเสด็จกระสงยื่นกล่องหมากเสวยให้พลอยถือตามเสด็จพลอยเชิญกล่องหมากเสวยตามเสด็จเหมือนกับกล่องหมากนั้นมีชีวิตต้องถนอมด้วยความบันจงอย่างยิ่งส่วนช้อยก็เดินตามมาข้างๆทั้งช้อยและพลอยหน้าบานนะคะกลายเป็นคนสําคัญได้เข้ากระบวนกับเขาด้วย ชอยนั้นเดินใช้สายตาสอดสายดูคนที่หมอบเรียงรายอยู่ทั่วไปเพื่อพบหน้าคนรู้จักก็จะได้ยิ้มด้วยและถ้ามองเห็นคนที่ไม่ชอบก็จะได้ทําปั้นปึงเมินหน้าให้เห็นได้ชัดแต่พอเดินตามเสด็จไปได้สักหน่อยชอยก็คงจะรู้สึกตัวว่าถูกมองหนักเข้าจึงหันมากระซิบกับพลอยว่านี่พลอยอีกสักครู่ให้ฉันเชิญกล่องหมักสวยบ้างนะเดินมือเปล่า ฉันชอจักเกอร์แล้วล่ะ ง, งานโซการที่พลอยเห็นว่าสนุกนักหนานั้นเป็นงานจอนไม่ใช่ว่าจะมีทุกปีไปงานที่พลอยเห็นว่าสนุกเป็นอย่างยิ่งและเป็นงานประจำปีซึ่งถึงแม้ว่าจะผ่านไปแล้ว ก็เฝ้าเร่งวันเร่งคืนให้ถึงอีกนั่นก็คืองานลอยกระทงซึ่งมีในกลางเดือน 12. สิองเสด็จตามสเสด็จพระเจ้าอยู่หัวออกแพรที่ท่าขุนนางแล้วก็โปรโดให้ช้อยและพลอยตามสเสด็จเพราะรับสั่งว่างานอย่างนี้เด็กๆได้ดูสนุกกว่าผู้ใหญ่และเมื่อพลอยและช้อยได้ตามสเสด็จก็ เ, เป็นโอกาสที่คุณสายจะได้เปิดทีบ หยิบของแต่งตัวออกแต่งให้ทั้งสองคนอย่างเต็มยศเพราะมีหน้าที่ตามเสด็จเป็นงานออกหน้าออกตาเวลาที่เสด็จลงแพนั้นจะเป็นเวลาประมาณสองยามซึ่งเป็นเวลาที่พลอยหลับแล้วในยามปกติแต่ในคืนวันงานนั้นถึงแม้ว่าจะง่วงแสนง่วง พอยก็ต้องทางตาไว้มิให้หลับเสียก่อนพอตอนห้าทุ่มถึงก็ต้องล้างหน้าล้างตาให้หายง่วงคืนวันเพ็ญเดือนส2องเวลาสองยามนั้นอากาศเยือกเย็นท้องฟ้าจำสใสปราศจากเมฆมีพระจันทร์ดวงโตที่สุดในรอบปีลอยอยู่กลางฟ้าตรงศีรษะพอดีพอถึงเวลาเสด็จออกท่ามกลางเสียงประโคมที่ทุกอย่างเตรียมเอาไว้พร้อม ก็เริ่มมีชีวิตชีวาพรายยังจาได้ดีถึงเสียงโขนร้องลากเสียงบอกกันต่อไปเวลาเจ้านายเสด็จออกจากวังว่าเปิดข้างแล้วก็มีเสียงร้องคล้ายๆกับเป็นเสียงร้องรับกลับมานะคะว่าเปิดข้างแล้วน่าจะประมาณนี้นะนึกถึงเรื่องเป่าบุญจินเวลาที่บอกก็เปิดสารจะคล้ายๆอย่างนั้นหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะคะ แต่ก็เป็นสัญญาณว่าได้เปิดประตูข้างให้เจ้านายเสด็จผ่านพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกประทับเรือบรลังกซึ่งจอดอยู่หน้าตำหนักแพรพร้อมด้วยเจ้านายข้างในฝ่ายพลอยและช้อยก็ปะปนอยู่กับบูค่าหลวงตามเสด็จพยายามที่จะกระเถิบออกไปจนได้ที่นั่งชิดริมน้ำที่สุดเพื่อจะดูกระทงให้เต็มต่าเบื้อหน้าออกไปในท้องน้ำมีเรือล้อมวงจอดอยู่เรียงราย มีเสียงปีพาดและกรองแขกดังอยู่ไม่ขาดระยะระหว่างเรือล้อมวงมีทุ่นหยวกปักใต้จุดสว่างทอดไว้เป็นประยะกำหนดบริเวณมิให้ใครกล้ำกรายเข้ามานอกทุ่นออกไปเป็นเรือของรัศดรที่มาดูงานแล้วก็มาเฝ้าในหลวงมากมายหลายพันลำดูมืดเต็มท้องน้ำไปหมด แล้วก็มีเรือเจ้าพนักงานปักโคมบัวภายขึ้นล่องลอยตรวจตรารักษาความสงบส่วนที่หน้าเรือบอลลังนั้นเจ้าพนักงานจอดเรือพระที่นั่งอ น, นันตนาคราชเตรียมไว้บนบุสบกตั้งพระชัยหัวท้ายเรือพระที่นั่งจุดโคมกระจกสีต่างๆดูแพรวที่หน้าบุสบกอันเป็นที่ตั้งพระพุทธรูปตั้งเครื่องนมัสการมีทูบเทียนต่อชนวนมายังเรือบอลลัง เมื่อพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดชนวนในพริบตาเดียวเทียนหน้าพระก็สว่างเพรึมขึ้นพร้อมกันต่อจากนั้นเจ้านายข้างในทรงจุดเทียนภายในเรือนั้นอีกจนทั่วทำให้เรือพระที่นั่งมะฮือมาลำนั้นสว่างแจ้งด้วยแสงประทีปแสงไปกระทบลวดลายสลักที่ปิดทองล่องชาติและติดกระจกเกิดแสงสะท้อนดูเหมือนกับว่าเรือพระที่นั่งนั้นมีชีวิตและเป็นสัตว์ ที่แสนจะงดงามประดุดว่าลอยมาจากอีกโลกหนึ่งเมื่อส่งจุดเทียนเสร็จฝีพายในเรือก็จะเริ่มพายและเรือก็จะเคลื่อนที่ออกไปช้าๆพร้อมด้วยเสียงเขยเรือและเสียงฝีพายที่รับกนเกึดก้องต่อจากนั้นเรือพระที่นั่งสีสุพรรณหง์ก็ลอยเข้ามาเทียบหน้าเรือบัลลังก์ เพื่อให้ทรงจุดเทียนเช่นเดียวกับเรือพระที่นั่งลำก่อนจากเรือใหญ่ซึ่งลอยลำออกไปกลางน้ำสองแสงสว่างจากลำไปรอบบริเวณเหมือนพระอาทิตย์พระจันทร์ท่ามกลางความมืดแสงสว่างจับใบหน้าคนหลายพันที่อยู่ในเรือเล็กเรือน้อยที่มาคอยชมอยู่ให้แหลเห็นได้ชัดต่อจากนั้นก็มีการปล่อยเรือกระทงเล็ก ทำเหมือนเรือพระที่นั่งและเรือกราบของจริงจุดเทียนรายตลอดลำลอยมาทั้งกระบวนล้วจึงถึงสำเพอแบบของจริงแต่ส่วนเล็กลงไปหมดจุดเทียนและโคมสว่างทั่วทั้งลำภาพทั้งหมดนี้เป็นภาพที่พลอยจำได้ติดตาไม่มีวันลืมเลือนอีกภาพหนึ่งเวลาที่พลอยลรู้สึกว่าสนุกที่สุดคือตอนจุดดอกไม้ไฟ ซึ่งเริ่มต้นหลังจากทรงจุดดอกไม้เพลิงเป็นสัญญาณที่น่าเรือบอลลังบัดเดี๋ยวใจทั้งท้องน้ําก็ดูเหมือนจะเต็มไปด้วยดอกไม้เพลิงเพราะว่าเรือต่างๆที่จอดอยู่นับจํานวนไม่ถ้วนนั้นต่างพากันจุดดอกไม้เพลิงขึ้นพร้อมกันบางอย่างก็น่าดูเช่นพุ่มตะไลรที่เขาจุดตามทุน่นแต่บางอย่างก็น่ากลัวเช่นพลุและรัตทาซึ่งส่งเสียงดัง ภายในระยะเวลาติดติดกันบนท้องฟ้าก็เต็มไปได้วยดาวสีต่างๆที่ร่วงพลูกลับลงมาแล้วก็มีเสียงพลุเสียงผนียงเกิดเป็นดาวกระจายเต็มท้องฟ้าแทนกันอยู่ไม่ขาดในน้าเบื้องหน้ามีแต่ดอกไม้น้ำทุกขนาดส่งเสียงมุดน้ำหรือพ่นไฟออกจากตัวอยู่ไม่ขาดระยะเจ้าพนักงานจัดดอกไม้น้ำทุกชนิด แต่ขนาดย่อมกว่าธรรมดาเอาไว้แจกถวายเจ้านายข้างในให้ทรงจุดแล้วก็มีเหลือพอสำหรับข้างในที่ม่ใช่เจ้านายตลอดจนถึงพลอยและช้อยตอนนี้เป็นตอนที่สนุกที่สุดเพราะว่าจะส่งเสียงวีดไว้กันบ้างก็ได้ด้วยเสียงดอกไม้เพลิงนั้นดังกว่าคอยกรบเสียงคนอยู่ช้อยถือโอกาสที่ผู้ใหญ่กลัวดอกไม้เพลิงจุดดอกไม้หลายดอกแต่ไม่โยนลงน้า กลับทำร่วงเข้าไปในหมู่ชาววังที่นั่งอยู่ทำให้เกิดเสียงหวีดร้องแล้วก็ลูกหนีกันชุนละมุนแต่เพราะความกล้า น, นั่นเองพอถึงตำหนักก็ปรากฏว่าพนุงของชอยไม่เป็นรูโวไปหลายรูเหมือนกันด้วยชีวิตอันอยู่ในกรอบแวดล้อมไปด้วยระเบียบประเพณีต่างๆ พลอยก็อยู่ในวังต่อมาจนความรู้สึกเรื่องบ้านเดิมที่เคยอยู่นั้นเลือนรางไปจากความทรงจําถึงจะนึกถึงบ้านบ้างเป็นบางเวลาแต่พลอยก็มองเห็นเพียงภาพรางๆผิดกับภาพที่จมใสชัดเจนที่เคยนึกเห็นได้เมื่อจากบ้านมาใหม่รายละเอียดต่างๆที่เคยจำได้ว่าสิ่งใดอยู่ที่ไหนและตรงไหนมีอะไรบ้างหรือคนที่บ้านหน้าตาเป็นอย่างไร ยิ่งวันคืนล่วงไปก็ยิ่งเลือนรางไปทุกทีส่วนแม่นั้นสองสามเดือนทีก็ไม่เยี่ยมพลอยสักทีพร้อมด้วยของฝากนานานชนิดและความรักของแม่ที่มีไว้ให้พลอยเสมอแต่ถึงแม้ว่าแม่จะเป็นฝ่ายไปมาหาสู่อยู่ตลอดมาโดยไม่ได้มีคนทางบ้านเกี่ยวข้องเลยก็ตามในใจจริงของพลอยก็ยังไม่รู้สึกว่าขาดจากบ้านคลองบางหลวงทุกครั้งที่นึกถึงบ้าน ก็มีแต่บ้านนั้นที่พรอยเห็นเป็นของตัวและตัวเป็นส่วนหนึ่งของบ้านถ้าจะคิดไปในทางที่ว่าผู้ใดจะเป็นผู้มีอำนาจสั่งการเกี่ยวกับชีวิตของพรอยได้เด็ดขาดคือบอกให้พรอยทำสิ่งใดพรอยก็จะทำตามแล้วพรอยเห็นว่ามีเจ้าคุณพ่ออีกคนนึงนอกจากเสด็จและมีอยู่เพียงสองคนเท่านั้นส่วนแม่นั้นเป็นวัตถุแห่งความรักและความยินดีแต่ไม่รู้สึกว่า แม่มีส่วนสําคัญในการที่จะบรนดาลให้ชีวิตของพลอยเป็นไปในทางใดส่วนผู้อบรมนิสัยอบรมมารยาทตลอดจนประสิทธิประสาทวิชาความรู้ต่างๆให้แก่พลอยนั้นก็คือคุณสายซึ่งพลอยรู้สึกทั้งรักทั้งกลัวและเพราะความกลัวนั้นจึงไม่สู้กล้าจะเป็นกันเองกับคุณสายทั้งที่กินนอนอยู่กันกับคุณสายเป็นประจำทุกวัน ในที่สุดพฤติการบางอย่างเกี่ยวกับแม่ก็ทำให้พลอยต้องรู้สึกเหินห่างออกไปอีกแม่เข้ามาเยี่ยมในวงังสามสีครั้งแล้วก็หายไปนานจนวันหนึ่งนังพิษหอบข้าวของพรุงพรังเข้ามาที่ตำหนักโดยที่ไม่มีแม่มาด้วยตอนแรกพลอยก็ดีใจ คิดว่าแม่มาเยี่ยมแต่พอถามว่าแม่อยู่ไหนลาภพิษคุณแม่ไม่มาหรอกค่ะเที่ยวนี้ให้บ่าวมาคนเดียวแล้วก็เอาของมาให้คุณพลอยหน้าเสียเพราะของที่แม่เอามาให้นั้นหมดความสําคัญลงสิ้นถ้าหากว่าแม่ไม่มาด้วยสิ่งแรกที่บูฟขึ้นมาในใจก็คือแม่ต้องเจ็บไข้หรือมีอันจะเป็นอะไรไปแน่ๆ และท่าทางของนางพิศก็ชักจูงให้คิดไปในทางนั้นแม่เป็นอะไรไปพิศคุณอย่าเพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เลยแล้วบ่าวจะเล่าให้ฟังพลอยก็น้ําตาคลอขึ้นมาทันทีจะไปถามต่อไปก็สิ้นปัญญาเหลียวดูหน้าคุณสายเหมือนกับจะขอความช่วยเหลือฝ่ายคุณสายเห็นความทุกข์ที่ปรากฏอยู่บนหน้าพลอยก็ยื่นมือเข้าช่วยทันที แม่แช่มเป็นอะไรไปหืพิษบอกมาเถิดไม่ต้องปิดคุณพลอยไม่รู้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวก็ต้องรู้เข้าสักวันหนึ่งเออไม่เป็นอะไรดอกเจ้าค่ะคุณเธอบอกว่ามาในหวังไม่ได้อายเขานางพิษตอบแล้วก็ก้มหน้าเอามือเขี่ยพื้นกระดานพลอยน้ำตาร่วงแม่เป็นอะไรไปจึงต้องอับอายขายหน้า ถึงกับเข้าวังไม่ได้จะเจ็บไข้ได้ป่วยจนเสียโฉมหรือว่าจะยากจนผ้าผ่อนขาดจนไม่กล้ามาหาพลอยพลอยก็คิดไปต่างๆนานาฮห้เป็นอะไรถึงต้องอับอายกันถึงเพียงนั้นคุณสายถามอย่างไม่เชื่อหูฝ่ายนางพิษก็นิ่งอิดออดแล้วก็ไม่ยอมตอบพอเห็นคุณสายนิ่งรอคำตอบในขณะที่พลอยก็ชักจะสะอื้นถีเข้า นางพิษก็เลยร้องไห้โฮยกผ้ขผมขึ้นปิดหน้าแล้วก็บอกว่าคุณเธอคุณเธอมีครันเจ้าค่ะคุณสายตกตะลึงจัง ง, งังมีท้องกับใครพ่อฉิมตัวดีนั่นล่ะสิเจ้าค่ะนั่นแหละเจ้าค่ะคุณสายฟังแล้วก็นิ่งอึ้งอยู่นานระหว่างนั้นก็อิ่ข้าวล้างไม้ล้างมืออย่างช้าชา้ เหมือนกับจะให้สะอาดเป็นพิเศษแล้วก็เอาขี้พึ่งสีปากขึ้นมาสีอย่างบรรจงเอาหมากใส่ปากเคี้ยวช้าๆจนเกือบจะหมดคำแล้วก็บอกว่าพิษไปหาข้าวกินซะที่หลังตำหนักกับผาดช้อยขึ้นไปอยู่กับเสด็จข้างบนเดี๋ยวนี้อย่าร่ำไรและเมื่อคนทั้งสองออกไปนอกห้องเหลือกันแค่สองต่อสองกับพรอย คุณสายก็เริ่มอธิบายให้พลอยฟังถึงเรื่องการมีเรือนการเป็นผัวเป็นเมียแล้วก็การมีลูกและคนที่มีลูกกับคนคนหนึ่ง น, นั้นอาจจะไปมีลูกกับคนอื่นอีกก็ได้สุดท้ายก็สรุปความว่าถึงแม่แม่จะไปมีลูกซึ่งเป็นน้องของพลอยต่อไปอีกกี่คนแต่เท่าที่คุณสายรู้ใจแม่ก็คงจะยังรัดพลอยมากที่สุดอยู่นั่นเองซึ่งไม่ได้ทาให้พลอยมีความรู้สึกดีขึ้นแต่อย่างไรเลย วันนั้นทั้งวันคุณสายไม่ยอมให้พลอยคลาดสายตาไปเรียกให้ทำโน่นทำนี่เพื่อเก็บตัวพลอยเอาไว้ใกล้ๆทั้งที่พลอยนั้นอยากจะไปถามรายละเอียดเรื่องแม่จากพิจใจจะขาดแต่ก็ไม่กล้าและเมื่อพลอยขึ้นไปเฝ้ารับใช้เสด็จตอนกลางวันก็เห็นเสด็จทอดพระเนตรมาทางพลอยบ่อยๆเหมือนกับจะสนพระไทยว่าพลอยรู้สึกอย่างไร แต่พลอยก็อยู่ในวังมานานพอที่จะซ่อนความรู้สึกมิให้ปรากฏต่อพระพักเจ้านายของตนสเสด็จจึงไม่ได้รับสั่งเรื่องแม่มีสามีใหม่แต่อย่างใดแต่พอตกบ่ายขณะที่พลอยเฝ้าอยู่พร้อมกับคุณสายและช้อยสเสด็จก็รับสั่งขึ้นว่าสายนังช้อยนี่อายุครบกวนจุกแล้วข้าจะกวนจุกให้แต่หนังพลอยนี่ละ่ะ จะว่ายังไงเด็กมันอยู่กับข้าข้าก็อยากจะโกนจุกให้พร้มพรอมๆกันแต่พลอยเขามีพ่อเป็นขุนนางจะทําไปโดยลําพังเขาจะว่าอย่างไรก็ไม่รู้เออข้าเสด็จรับสั่งไปก็เห็นจะไม่ขาดดอกมั้งคะนั่นสิถ้าอย่างไรจเจ้าออกไปถามดูเขาให้ได้เรื่องได้ราวก็จะดีถ้าไปแล้วก็พาพลอยไปด้วยนะไปเยี่ยมพ่อเขาเสียบ้าง มั่งคะพรอยได้ยินก็นึกดีใจที่จะได้โกนจุกใจจริงนั้นอยากโกนจุกพร้อมกับช้อยแต่การที่จะกลับไปโกนจุกที่บ้านนั้นพรอยนึกไม่ถึงว่าจะกลับไปได้อย่างไรและเมื่อได้ยินเสด็จรับสั่งให้คุณสายพาไปเยี่ยมบ้านพรอยก็ดีใจนักที่จะได้กลับไปพบคุณเชยพี่สาวคนเล็กซึ่งพลอยอย่างคิดถึงอยู่เสมอ ตอนนั้นพลอยยังเด็กเกินไปที่จะเดาพระไทยเสด็จออกว่าทรงเป็นห่วงพลอยมากขึ้นหลังจากที่คุณสายได้ขึ้นมากระซิบทูลว่าแม่ของพลอยได้สามีใหม่เป็นญาางห่างทางบ้านนอกและขณะนี้กำลังตั้งครรภ์ทำให้เสด็จทรงเมตตาพลอยว่าเป็นเหมือนเด็กกำพร้าเพราะทางพ่อก็ดูเนื่อยๆไม่สนใจทางแม่ก็ไปมีเรื่องผูกพันเพิ่มเติม เสด็จจึงทรงตั้งพระทัยว่าจะทรงอุปการะพลอยมากขึ้นกว่าแต่เก่าและขณะเดียวกันก็มีพระประสงค์ที่จะให้พลอยได้กลับไปบ้านเดิมบ้างแม้จะเป็นชั่วครู่ชั่วยามก็ยังดีพลอยจะได้ไม่ขาดตอนจากพี่น้องเสียเลย ความดีใจที่จะได้โกนจุกและจะได้ไปเที่ยวบ้านก็ยังหาทำให้พลอยลืมเรื่องแม่ลงไปด้วยไม่จนถึงคืนวันนั้นคุณสายขึ้นไปบนตําหนักตามปกติพลอยเข้านอนก่อนนางพิษจึงเข้ามาช่วยไล่ยุงในมุง้งและถือโอกาสเล่าเรื่องแม่ให้พลอยฟัง มีโอกาสอยู่ได้กันตามลำพังพรอยก็ถามนางพิศเกี่ยวกับพ่อใหม่ของพรอยและชีวิตใหม่ของแม่นางพิศเล่าว่าบ่าวก็ว่าเขาเข็มไปหน่อยนะคะแต่คุณเธอว่าของเธอดีไว้ใจได้บ่าวก็เลยต้องนิ่งแต่ถ้าเขาจะดีจริงๆกระมัง คุณพลอยอย่าวิตกไปเลยค่ะถ้าไม่ดีจริงคุณแม่จะไปตกล่องปลองชิ้นกับเขาหรือคุณเธอเป็นผู้ดีตาเธอก็ต้องสูงดูอะไรก็รู้เรื่องฮ่านางพิษเองเป็นขี้ข่าเขาแล้วยังไม่เจียมตัวสเสออไปเที่ยวว่าเขาอย่างนั้นอย่างนี้หลังจะลายไม่รู้ตัวนางพิษเริ่มเทศนาเตือนสติตัวเองนะคะดูเหมือนว่านางพิษนี่จะมีความขัดแย้งใจของนางพิษท่าทางไม่ค่อยชอบ คุณชิมซึ่งเป็นสามีใหม่ของเจ้านายสักเท่าไหร่แต่ก็ทําอะไรไม่ได้เพราะว่าตัวเองเป็นแค่บ่าวพลอยก็ซักต่อว่าตอนนี้แม่อยู่ที่ไหนนางพิทก็บอกว่าก็อยู่บ้านอยู่บ้านที่ไปอยู่ตั้งแต่ทีแรกนะคะตอนแรกเลยเนี่ยแม่ไปอยู่กับบ่าวสองคนแล้วก็ไปช่วยคนบ้านนอกเอามาไว้ใช้อีกคนหนึ่ง ก็คือเหมือนกับว่าเอาเงินไปไทยต่อมานางชิดนางพิษบอกว่าแม่ของพลอยบ่นว่ า, ว, าว้าวีเหงาพอฉิมซึ่งเป็นสามีใหม่ก็เลยพาน้องสาวที่ชื่อแม่ปรังมาอยู่เป็นเพื่อนมากันสองคนพี่น้องบอกว่าเพื่อกันคนนินทาแต่เดี๋ยวนี้อยู่กินกันอย่างเปิดเผยแล้วใครๆก็รู้กันทั่ว พิษมาเสียอย่างนี้แล้วแม่จะได้ใช้ใครละพิษพรอยปารบขึ้นอย่างเป็นห่วงแม่โถทุลนหัวของพิษตัวเล็กเท่านี้ยังมีน้ำใจเผื่อแผดถึงคุณแม่คุณพรอยไม่ต้องห่วงหรอกพิษไม่มีทิ้งนายของตัวเองซะละจะเป็นจะตายก็ให้มันรู้กันไปอีกสองสามวันพิษก็จะกลับเวลานี้ก็ยังไม่เป็นไรเพราะคุณยังไม่เจ็บไข้ ต่อไปก็จะต้องคอยดูกันมากกว่านี้พิษแม่ปรังน้องพ่อชิมที่เขามาอยู่นะ่ะเขาทำอะไรบ้างฮ้ก็มาเป็นนายของพิษอีกคนน่ะสิคะทีแรกก็มาดีเอาใจคุณแม่ปฏิบัติวัดถากทุกอย่างไม่ว่าจะพูดอะไรก็เป็นเห็นจริงไปหมดจะพอกลายเป็นน้องสะภ้ยเท่านั้นแหละคุณพลอยเอ้ย เปลี่ยนไปเป็นคนละคนทีเดียวเขาทำยังกบเป็นบ้านพี่ชายเขานิดก็ไม่ได้หน่อยก็ไม่ได้เป็นผิดใจไปหมดพี่ชายเขาก็รักน้องสาวคุณเธอก็รักผัวเลยต้องกลายเป็นปฏิบัติน้องผัวไปแต่คุณเธอใจดีอย่างฉันละก็เฮ้อทนไม่ไหวละ่ะทั้งๆทงี่อีพิษมีค่าตัวอย่างนี้แหละขืนแหลมมาวันไหนแม่จะตบล้างน้าให้ลือกันสักทีไม่กลัวไหวกลัวตรวนหรอกคอยดูไปสิ พอพูดจบนางพิทก็เอามือปอบปากตัวเองเพี้ยใหญ่โอ้ยอีพิทอีเวนมึงเอาอะไรมาพูดให้ลูกนายของกูฟังแล้วพิทก็หัวเราะชอบใจหยิบพัดมาพัดให้พลอยก่อนจะบอกว่าพ่อทีคุณพลอยนอนซะเถอะบ่าวจะเล่านิทานให้ฟังพลอยก็นอนหลับตาฟังนิทานของนางพิทเรื่องตะเทียนกินหอยจุ๊บแจง ซึ่งเป็นนิยายที่ได้ฟังนางพิษเล่ามาแต่เด็กจนเดี๋ยวนี้ฟังทีไรเป็นหลับทุกทีอีกราราอาตริดีหนึ่งต่อมาคุณสายก็บอกให้พลอยรู้ตัวว่าวันรุ่งขึ้นจะพาพลอยออกจากวังในตอนเช้าเพื่อไปเยี่ยมบ้างและคุณสายก็บอกให้รู้ตัวด้วยว่าการไปคราวนี้จะไม่มีเวลาอยู่ได้นานนักเพราะว่าเมื่อคุณสายพูดธุระกับเจ้าคุณพ่อของพลอยเสร็จ และให้โอกาสพลอยได้ปลาใสไทมทุกสุขกับพี่น้องตามสมควรแล้วก็จะรีบกลับทันทีแต่ถึงจะรู้ตัวล่วงหน้าพลอยก็ยังตื่นเต้นกระหายที่จะไปบ้านเพราะว่าพลอยนั้นจากบ้านมาได้เกือบแดเดือนอยังไม่ได้เคยพบหน้าคนทางบ้านหรือว่าได้ข่าวคราวแต่อย่างใดพลอยจึงคอยเวลาที่จะออกเดินทางไปบ้านด้วยความตื่นเต้น รุ่งเช้าคุณสาให้พลอยกินข้าวแต่เช้าแล้วก็แต่งตัวให้ดูหมดจดเป็นพิเศษเปิดหีบหยิบของแต่งตัวมาใส่ให้พลอยพรางอธิบายให้พลอยฟังว่าการแต่งเนื้อแต่งตัวเป็นพิเศษนั้นไม่ใช่ว่าจะไปโอ้อวดใครแต่ทําเพื่อการคนนินทาและเพื่อป้องกันความสงสัยว่าพลอยจะได้รับการเลี้ยงดูที่ไม่ดีแล้วก็เตือนว่าเมื่อไปถึงบ้านแล้ว ให้พรอยระวังกิริยาวาจาให้จงดีเพราะว่าถ้าไปแสดงสิ่งใดให้เป็นที่ตำหนิได้จะขายพระพักเสด็จผู้เป็นเจ้านายของตนและขายหน้าคุณสายผู้เป็นผู้ดูแลเลี้ยงดูพลอยเองอดสงสัยไม่ได้ว่าคุณสายกับเจ้าคุณพ่อจะรู้จักคุ้นเคยกันเพียงใดจึงถามออกไปขณะที่แต่งตัวอยู่คุณพ่อของพลอยนะเหรอป้ารู้จักมานานแล้ว ตั้งแต่ท่านเป็นมหาดเล็กอยู่ในวังตอนนั้นป้าจะโตกว่าพลอยสักหน่อยและท่านก็ยังเป็นหนุ่มตอนท่านชอบแม่ของพลอยป้าก็เลยมีโอกาสคุ้นเคยกับท่านไปด้วยถ้าไม่รู้จักกันป้าจะออกไปหาท่านได้อย่างไรพอแต่งตัวเสร็จคุณสายก็พาพลอยออกจากวังมีผาดถือหีบหมากตามหลังลงเรือที่ท่าพระ แล้วเรือก็เริ่มข้ามแม่น้ำมุ่งไปยังคลองบางหลวงนี่เป็นครั้งแรกที่พลอยออกจากวังหลังจากที่เข้าวังกับแม่สิ่งต่างๆที่ได้พบเห็นระหว่างเดินทางยังเรียกร้องความสนใจจากพลอยได้ไม่น้อยโลกภายนอกช่างกว้างใหญ่นะเต็มไปด้วยคนที่พลอยไม่รู้จักบางคนมีกริยาวาจากระกะไม่น่าดู งแม่ค้าที่วางหาบอยู่ใกล้าทางลงเรือส่งเสียงพูดกันทาให้พลอยต้องเมินหน้าและทาให้คุณสายต้องรีบสาวเท้าก้าวเดินเพื่อให้ผ่านไปเสียเร็วๆพลอยจำได้ว่าเมื่อวันที่แม่พาพลอยออกจากบ้านพลอยรู้สึกว่าไกลแสนไกลแต่ขากลับไปเยี่ยมบ้านหนนี้พลอยรู้สึกว่าระยะทางใกล้ไปหมดนั่งเรือมาได้ครู่เดียว ก็แลเห็นสาลาท่าน้ําลิบลิและในระยะเวลาอีกไม่นานนักพรอยก็เห็นเด็กสองคนโหนเสาสาลาท่าน้ําคนหนึ่งคนนั้นคือคุณเชยคุณเชยคนเก่าที่ยังไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปเลยอีกคนก็คือพ่อเพิ่มพี่ชายร่วมท้องของพรอยซึ่งยังเหมือนคนเก่าอยู่เช่นกันพรอยรู้ทันทีว่าตั้งแต่ตัวจากไปแล้วคุณเชยก็คงไม่มีใครจะเล่นด้วย ต้องหันมาเล่นกับพ่อเพิ่มคือแต่ก่อนนี้คุณเชยมีพลอยเป็นเพื่อนเล่นเพราะว่าเป็นเด็กผู้หญิงแล้วก็วัยใกล้เคียงกันพอพลอยมาอยู่ในวังคุณเชยไม่มีคนคือไม่มีใครจะเล่นด้วยก็เลยต้องหันไปเล่นกับพ่อเพิ่มพี่ชายแท้ๆของพลอยระหว่างที่เรือแล่นเข้าไปอย่างตื่นท่าคนทั้งสองที่อยู่บนศาลายัางไม่ทันได้สังเกตว่าใครอยู่ในเรือ แต่พอเรือจะเทียบท่าพ่อเพิ่มหันไม่เห็นพลอยก่อนพอเห็นพ่อเพิ่มก็ตาเบิกกว้างอ้าปากร้องลั่นคุณเฉยดูสิใครมานั่นแนะพอคุณเฉยได้ยินเสียงพ่อเพิ่มก็เหลียวมาดูพอเห็นพลอยคุณเชยก็เกาะเสาเต้นด้วยความดีใจแม่พลอยแม่พลอยมาแล้วแม่พลอยมาแล้ว คุณเชยร้องซ้ำๆอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งคุณสายและแม่พลอยขึ้นบันไดไปบนสรบคุณสายก็ถามขึ้นก่อนว่าพ่อเพิ่มเป็นใครพอพลอยบอกคุณสายก็บอกว่าเคยเห็นมาตั้งแต่ยังแบบอกส่วนคุณเชยนั้นคุณสายบ่นอึบอิบว่ากิริยาอย่างกับเด็กผู้ชายเมื่อได้ความว่าเจ้าคุณพ่อกําลังลงมาดูไม้ดัดอยู่ข้างตึก คุณสายก็ตรงเข้าไปมีผ่าถือหีบมากตามล้างไปติดติดต่อจากนั้นก็มีพลอยเดินกลางคุณเชยแล้วก็พ่อเพิ่มเดินขนาบข้างสนทนาทักถามกันอย่างตื่นเต้นหลังจากที่ไม่ได้พบกันเป็นเวลานานวันนี้เจ้าคุณพ่อ แต่กายอย่างอยู่กับบ้านกําลังเดินมาดูไม้ตัดข้างตึกอย่างสบายอารมณ์เจ้าขุณพ่อนุ่งผ้าลอยชายแต่พอเห็นคุณสายซึ่งเป็นคุณข้างในเดินตรงเข้าไปเจ้าขุณพ่อก็ใช้ไม้เท้าข้างหนึ่งตวัดชายผ้าขึ้นมาเป็นผ้าโจงกระเบนได้อย่างคล่องแคล่วทางพนมมือรับไหว้คุณสายซึ่งซุดตัวลงนั่งไหว้ คุณสบายดีหรือมาธุระอะไรแต่เช้าอ้าวพลอยก็มาท่าทางเป็นชาววังผิดไปแทบจำไม่ได้หลังจากทักทายปราศัยกันตามธรรมเนียมแล้วเจ้าคุณพ่อก็เชิญคุณสายขึ้นบนตึกด้านหน้าส่วนพลอยซึ่งยังขนาบข้างด้วยคุณเชยและพ่อเพิ่มก็ตามขึ้นไปด้วยคุณสายเข้าไปนั่งพูดอยู่กับเจ้าคุณพ่อที่เฉลียงใหญ่หน้าตึก ส่วนพรอยคุณเชยและพ่อเพิ่มหยุดนั่งตรงบันไดใกล้ๆ ก, กันแม่พลอยฉันคิดถึงแม่พลอยออกจะตายไปแม่พลอยไปอยู่ในวังเป็นอย่างไรบ้างสนุกไหมฉันก็คิดถึงคุณเชยมากเหมือนกันอยู่ในวังสนุกสนุกฉันอยากให้คุณเชยไปอยู่ด้วยจะได้เล่นด้วยกันฮ่าชาววังรังกระตุยไม่เอาหรอกหมอบหมอบคันคัน อยู่กับบ้านไม่ได้สบายกว่าพรอยพบแม่บ้างหรือเปล่าพ่อเพิ่มถามแม่เข้ามาหาฉันหลายหนเหมือนกันและพ่อเพิ่มเล่าฉันเองก็พบสองสามหนแม่แกม้าเรือแต่ไม่ยอมขึ้นบ้านให้คนเรียกฉันลงไปคุยในเรือครั้งหลังนี่แกบอกฉันว่าเออพรอยรู้เรื่องแล้วไม่ใช่หรือ พอเพลไม่ยอมพูดเรื่องที่แม่ไปมีสามีใหม่ซึ่งพลอยเองก็เข้าใจแล้วก็รู้สึกกระดากคุณเชยขึ้นมาทันทีแต่คุณเชยก็ทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้รู้แล้วล่ะแล้วทางนี้เขาว่าอย่างไรกันบ้างล่ะอย่าเอะอะไปใครก็ไม่รู้ไปบอกเจ้าคุณพ่อท่านโกรธใหญ่สั่งห้ามฉันว่าถ้าแม่มาหาอีกไม่เห็นลงไปพบถ้าขืนไม่ฟังทันจะไล่ฉันออกจากบ้าน พลอยได้ฟังก็สงสารพ่อเพิ่มขึ้นมาอย่างจับใจนะคะเพราะว่าพ่อเพิ่มอาจไม่มีโอกาสได้พบแม่อีกส่วนพลอยนั้นเมื่ออยู่ที่ตำหนักเสด็จอาจมีโอกาสได้พบแม่บ่อยๆเพราะที่นั่นมีแต่คนที่รักแม่คงไม่มีใครห้ามปรามและพ่อเพิ่มเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวนี้พ่อเพิ่มอยู่กับใครเกิดสบายดีไม่เป็นไรหรอก เจ้าขุณพ่อท่านให้ฉันขึ้นมานอนที่เฉลียงหลังข้างห้องนอนท่านทีแรกฉันจะไปอยู่กับคุณชิดแต่ท่านไม่ยอมท่านว่าคุณชิดจะทําเสียฮึก็จริงของท่านนั่นแหละคุณชิดซนออกจะตายไปเกิดเรื่องไม่ได้หยุดคุณเฉยหาเรื่องก็คุณชิดเธอโตแล้วจะให้เหมือนเราเด็กๆได้อย่างไรกันฉันไม่รู้ละ เจ้าชู้ออกจะตายไปฉันเกรียดเกลียดหน้าก็ไม่อยากเห็นคุณใหญ่สิรักคุณชิดขออะไรก็แอบให้กันทุกทีไม่ให้คุณพ่อรู้พอได้ยินคุณเชยเอ่ยถึงคุณอุ่นพี่สาวใหญ่พลอยก็ใจเสียหนักใจขึ้นมาทันที กลับมาบ้านได้เจอคุณเชยได้เจอพ่อเพิ่มพลอยก็มีความสุขแต่พอพูดถึงคุณอุ่นพลอยก็รู้สึกหนักใจเพราะว่าอีกประเดี๋ยวเจ้าคุณพ่อก็คงจะสั่งให้พลอยเข้าไปพบคุณอุ่นในขณะที่คุณสายก็เจรจากับเจ้าคุณพ่อของเชยเอ่อของพลอยนะคะเรื่องที่เสด็จเนี่ยจะโกนจุกให้ โดยบอกว่าสเสด็จทรงพระเมตตาพลอยมากแต่ก็ทรงเห็นว่าพลอยเป็นลูกท่านเจ้าคุณเมื่อถึงคราวจะโกนจุกก็ไม่แน่ใจว่าเจ้าคุณจะประสงค์อย่างไรจึงให้ดิฉันออกมาเรียนถามส่วนคุณพ่อของพลอยก็บอกว่าผมระลึกถึงพระเทศพระคุณสเสด็จอยู่เสมอที่ทรงพระกรุณาชูบเลี้ยงลูกลูกคนนี้เมื่อถวายแล้วก็ขอถวายขา แล้วแต่เสด็จจะทรงเห็นอย่างไรผมไม่ขัดทั้งนั้นที่จะทรงพระเมตตาโกนจุกประธานผมก็ยินดีเป็นเกียรติยศแกเด็กถ้ากาหนดวันเมื่อถึงเวลาคุณให้คนมาบอกก็แล้วกันดิฉันก็นึกแล้วว่าจะคุณคงไม่ขัดแล้วก็ได้ทุนเสด็จไว้แล้วแต่ท่านรับสั่งให้มาถามเสียก่อนเพราะเป็นลูกเจ้าคุณแล้วดิฉันจะเข้าไปกราบทูลอย่างที่เจ้าคุณพูด อ้าวนี่พลอยไปไหนเสียงเจ้าคุณพ่อถามหาพลอยได้ยินเสียงก็โผล่หน้าเข้าไปจากบันไดแล้วก็คลานขึ้นไปนั่งข้างๆคุณสายเจ้าคุณพ่อยิ้มมองดูพลอยก่อนจะบอกว่ากลยุทธมารยาทดูเรียบร้อยขึ้นเห็นจะได้อาศัยคุณช่วยขัดเกลาผมก็ขอฝากให้คุณช่วยกวดขันให้ดีด้วยอย่าได้เกรงใจคุณสายอมยิ้ม มองดูพลอยแล้วก็นิ่งไม่พูดว่าอะไรอีกครู่หนึ่งสิ่งที่พลอยกลัวก็มาถึงพลอยไปหาแม่อุ่นเขาสิเขาบนถึงอยู่เหมือนกันจริงๆแล้วพลอยไม่อยากไปเลยนะคะแต่เมื่อเป็นคำสั่งเจ้าคุณพ่อพลอยก็จำต้องทําตามอยากไม่มีทางหลีกเลี่ยง พอยคลานข้ามเฉลียงเข้าไปยังห้องกลางแล้วก็เดินเลาะฝาตรงไปยังห้องของคุณอุ่นแต่ละก้าวที่เดินไปนั้นช่งางรู้สึกฝืนใจเสียเต็มประดาเมื่อไปถึงก็เห็นคุณอุ่นนั่งอยู่กลางห้องเหมือนเดิมเหมือนวันที่พลอยมาลาไปจากบ้านทุกอย่างที่อยู่ในห้อง ก็ยังคงเหมือนเดิมมิได้มีสิ่งใดเปลี่ยนแปลงตลอดจนความมืดครึมทั่วไปก็ยังคงเหมือนเดิมคุณอุ่นชอบอยู่ในห้องที่มืดมืดครึมครึมเพราะต้องการจะบ่มผิวมิให้กร้านตรงหน้าคุณอุ่นมีหีบเหล็กใบหนึง่งพรอยรู้ว่าเป็นหีบเครื่องเพชร คุณอุ่นกำลังหยิบแหวนหลายวงจากหีบนั้นขึ้นมาใส่นิ้วแล้วก็เหยียดแขนออกไปให้มือถูกแสงสว่างพรางพลิกมือไปมาเพื่อให้เพชรพลอยที่แหวนถูกแสงสว่างเป็นประกายพอเห็นพลอยเข้าไปในห้องแล้วก้มหัวลงไหวกับพื้นอย่างนอบน้อมคุณอุ่นก็ปิดหีบอย่างเร็วและกแรงจนมีเสียงดังราวกับว่าพลอยจะเข้าไปแย่งชิงของจากหีบกระนั้น แหม่ไม่ชาววังกลับมาเมื่อไหร่ยะนี่ต้องซานกลับมาแ ล, ะละ้วสินี่คือประโยคแรกที่คุณอุ่นทักทายพลอยนะคะพลอยก็ไม่รู้ว่าจะโต้อตอบกับคําพูดเช่นนี้ได้อย่างไรได้แต่ก้มหน้ามองพื้นขนเรียบร้อยอย่างพลอยก็ทําได้แค่นี้ละคะ่ะแต่ถ้าเป็นช้อยหรือว่าคุณเชยเนี่ยก็คงสนุกไปแล้วะนะคะมาจากที่ไหน ก็เชิญกลับไปที่นั่นเถอะยากฉันมากับคุณป้าสายค่ะพลอยตอบลอยๆเพราะอยากจะบอกให้คุณอุ่นรู้ว่าเธอไม่ได้กลับมาอยู่อย่างที่คุณอุ่นเข้าใจแต่คุณอุ่นกลับตีความไปอีกเรื่องหนึง่งโหยวงวานว่านเครือมากซะจริงๆไม่ต้องเอามาขู่ฉัหรอกฉันกลวดแล้วแหะอยากแล้วมาทุระอะไร คุณอุ่นถามขึ้นเพราะความอยากรู้จริงๆอ่ะอยากรู้มานานแล้วนะค ะ, สะเสด็จให้มาเรียนถามเจ้าคุณพ่อเรื่องโกนจุกจุกใครจุกหล่อนเนะหรือสเสด็จจะโกนจุกประธานก็ดีแล้วนี่จะต้องมาบอกฉันทำไมเจ้าในายใหญ่โตโกนจุกประธาน จึงจะสมกับคนใหญ่โตยอย่างหลอนบ้านชั้นนั้นมันเล็กไปไม่พอรับญาติที่น้องข้างแม่ของหลอนหรอกพลอยได้ยินคุณอุ่นพูดถึงแม่ก็ใจเสียไม่รู้ว่าคุณอุ่นจะพูดอะไรให้เจ็บช้ำน้ำใจต่อไปอีกก็เลยเปลี่ยนเรื่องเจ้าคุณพ่อให้ดิฉันเข้ามาหาคุณพี่ก็อย่างงั้นนะสิอย่างแกเหรอจะมาหาฉันเองไม่มีสละ สันดาลลูกเสือลูกตาเคก็ต้องคอยแว้งเอามือที่ขุนมันนั่แหละมาถึงตอนนี้นะคะพลอยก็หมดความอดทนเพราะคุณอุ่นได้ว่าเอาอย่างไม่มีทางสู้คือว่าเอาข้างเดียวและเมื่อคุณอุ่นถึงกับเปรียบตัวเองว่าเป็นมือที่เคยขุนตัวมาพลอยก็ยิ่งช้ำใจ เพราะพลอยไม่เคยได้รับความอุปการะอย่างใดจากคุณอุ่นเลยตั้งแต่เกิดมาเป็นตัวขณะนั้นพลอยก้มหน้านิ่งรู้สึกตัวว่าน้ําตาร้อนๆเริ่มจะไหลออกมาขืนอยู่ต่อไปก็มีทางที่คุณอุ่นจะหาเรื่องได้อีกจึงก้มตัวลงไหวแล้วก็คลานออกนอกห้องส่วนคุณอุ่นนั้นพอถึงตอนนี้ก็นั่งเมินหน้าเฉยทําเป็นไม่เห็นเอาทีเดียวระหว่างที่อยู่ในห้องกลางบนตึก พลอยก็รีบเช็ดน้ำตาให้แห้งไม่อยากให้เจ้าคุณพ่อเห็นพอถึงเฉลียงเจ้าคุณพ่อกำลังนั่งคุยกับคุณสายถึงเรื่องเก่าๆในวังพลอยก็รีบคลานผ่านไปคลานไปหาคุณเฉยกับพ่อเพิ่มซึ่งนั่งอยู่ตรงบันไดพ่อเพิ่มเห็นหน้าพลอยก็รู้ทันทีว่ามีอะไรเกิดขึ้นแต่ก็ไม่กล้าพูดจาไต่ถามคุณเฉยก็เดาออกเช่นกัน โดนเขาแล้วใช่ไหมแม่พลอยฉันนึกแล้วไม่มีผิดทีเดียวคนอะไรก็ไม่รู้ใจยักใจมานฉันอยู่ทางนี้ยังโดนด่าไม่เว้นแต่ละวันทำอะไรก็ผิดไปหมดถ้าตายเสียเมื่อไหร่ฉันคงจะดีใจพลอยได้ยินคุณเชยแสดงความเห็นใจจนถึงขั้นแช่งคุณอุ่นให้ตายก็อดยิ้มไม่ได้จริงๆนะแม่พลอยให้ฉันโตอีกหน่อยเถอะฉันไม่ยอมหรอก นี่ขนาดน้องแท้ๆนะคะคุณเฉยนี่น้องขานตามกันมาท้องเดียวกันก็ไม่ชอบหน้าคุณอุ่นเช่นกันขนาดนั้นคุณสายคุยกับเจ้าคุณพ่อหมดเรื่องแล้วก็ทําอาการหยิบโน่นหยิบนี่เหมือนกับจะเตรียมตัวกลับแล้วก็เหลวมากวักมือเรียกพลอยให้เข้าไปลาเจ้าคุณพ่อพลอยก็ปฏิบัติตามอย่างเต็มใจเพราะความตื่นเต้นที่ได้จากการมาเยี่ยมบ้านนั้นหมดไปแล้ว นับแต่ขณะแรกที่โปรหน้าเข้าไปหาคุณอุ่นเจ้าคุณพ่อเรียกพลอยเข้าไปถึงตัวพลอยก้มลงกราบชิดกับขาเจ้าคุณพ่อและรู้สึกว่ามือเจ้าคุณพ่อมาลูบหัวเบาๆพร้อมกับเสียงเจ้าคุณพ่อบอกว่ารักษาตัวให้ดีนะพลอยถึงอย่างไรเจ้าก็ยังเป็นลูกพ่อและคุณสายก็พาพลอยลงจากตึก เดินกลับไปลงเรือมีคุณเชยกับพ่อเพิ่มตามมาส่งถึงตีนท่าก่อนจะลงเรือคุณเชยยังกระซิบสั่งเป็นครั้งสุดท้ายอีกว่าแลวก่อนนะแม่พลอยไว้เชน่โตอีกหน่อยฉันจะเข้าไปหาให้ถึงในวังเลยตั้งแต่พลอยกลับจากบ้าน ครั้งที่ไปกับคุณสายครั้งนี้แล้วชีวิตของพลอยก็คงอยู่อย่างเดิมต่อไปที่มีเปลี่ยนแปลงจนพลอยสังเกตเห็นได้ง่ายก็คือการที่เสด็จสนพระไทยในตัวพลอยมากกว่าแต่ก่อนรับสั่งถามพลอยในเรื่องต่างๆที่พลอยทำอยู่ทุกวันนั้นบ่อยครั้งและทุกคราวที่เสด็จจะทรงทาสิ่งใดเป็นพิเศษก็มักจะรับสั่งให้หาพลอยให้ขึ้นไปเฝ้า เพื่อจะให้ได้เห็นและก็ได้ทำการฝีมือต่างๆไว้เป็นความรู้พลอยเริ่มร้อยมะลายเป็นถึงจะยังไม่งามก็พอเข้ารูปคุณสายหาให้พลอยปอกมะปรางริ้วซึ่งต้องลงทุนไปด้วยมะปรางเป็นอันมากและแผลที่นิ้วมือของพลอยหลายแผลและเมื่อพลอยปอกมะปรางพอแลเห็นริ้วได้เสด็จก็รับสั่งให้หาขึ้นไปปอกถวายทอดพระเนตร และส่งตักเตือนสั่งสอนวิธีปอกให้หลายอยา่างจุดสนใจเป็นที่สุดก็คือการโกนจุกที่จะมาถึงต่อไปในเวลาอีกหหรือเจดเดือนข้างหน้างานโกนจุกนั้นเสด็จรับสั่งให้มีที่บ้านช้อยและให้พ่อของช้อยเป็นเจ้าของงานร่วมกับคุณสาย เสด็จประทานอุปการะในเรื่องการใช้จ่ายทั้งหมดในงานและก็ของแต่งตัวของเด็กทั้งสองคนนั้นก็จัดออกไปจากตำหนักตั้งแต่เครื่องแต่งตัวฟังสวดมนต์ไปจนถึงวันโกนจุกและทําขวัญเสด็จสนเพื่อไทยมากและก็ทรงสนุกในการค้นหาเครื่องแต่งตัวของช้อยและพร้อยให้เข้าชุดกัน ถึงกับต้องเรียกคุณสายขึ้นไปปรึกษาเรื่องนี้อยู่บ่อยๆยิงไกลหวันเข้ามาเรื่องโกนจุกเด็กทั้งสองดูจะเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นกลายเป็นธุระหน้าที่ให้วุ่นวายกันไปทั้งตำหนักเป็นเหตุให้ข้าหลวงในตำหนักหลายคนที่โตโตเป็นสาวแล้วเรียกงานโกนจุกนั้นว่างานโศกันแม่พรอยหรืองานโศกันแม่ช้อยตามแต่จะนึกออกแต่ทุกคนก็ไม่ได้รังเกียจ เพราะต่างคนต่างก็นึกสนุกอยู่เหมือนกันมีคนสมัครออกไปช่วยงานกับคุณสายที่บ้านพ่อของช้อยก็หลายคนและแรกพลอยก็มีได้สู้สนใจเท่าไหรนะ่นักเพราะยังมองไม่เห็นว่าตัวเองจะเกี่ยวข้องอย่างไรและนึกไม่ถึงว่าจะเป็นบุคคลสำคัญในงานนั้นเพียงไหนที่พลอยดีใจว่าจะได้โกนจุกนั้นก็เพราะจะได้หมดจุก อันเป็นภาระที่ต้องกล้าววันละหลายหนนั้นประการหนึ่งเมื่อกนแล้วก็จะได้พ้นทรมานจากการโกนศรีรษะส่วนอื่นโดยมีดโกนทื่อๆซึ่งทาให้ต้องเจ็บและการถอนไรจุกบางครั้งซึ่งเจ็บไปกว่าเป็นประการที่สองและประการที่สามที่ออกจากสำคัญมากก็คือผู้ที่โกนจุกแล้ว นับว่าได้ก้าวย่างพ้นความเป็นเด็กออกไปอีกขั้นหนึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่ควรจะสบายใจเพราะการพ้นจากภาวะที่เป็นเด็กต้องถูกดุถูกว่าอยู่เป็นนิดแล้วได้เป็นผู้ใหญ่ที่อิสระแก่ตัวทำอะไรทำได้นั้นเป็นของที่พลอยเร่งวันเร่งคืนให้ถึงเร็วๆอยู่ไม่น้อยส่วนช้อยนั้นดูไม่ค่อยสนใจต่อรายละเอียดเรื่องกนจุกสักเท่าไหร่สิ่งที่ช้อยคอยวันคอยคืนนั้นก็คือ การที่จะได้กลับไปอยู่ที่บ้านชั่วคราวในระหว่างงานซึ่งคุณสายบอกว่าจะต้องไปอยู่ถึงเจดวันเป็นอย่างเร็วอย่างช้าก็1ิบวันเพราะไหนจะต้องไปเตรียมงานแล้วก็จะต้องมีเวลาเก็บของอีกสองสามวันถึงจะกลับเข้าวังได้เพรอยเห็นความดีใจอย่างมากมายของช้อยที่จะได้กลับบ้านเห็นแล้วก็อดนึกอิจฉาไม่ได้ ตั้งแต่ช้อยรู้ว่าพลอยจะได้ออกไปค้างที่บ้านด้วยกันช้อยก็เริ่มคุยอวดคุณสมบัติวิเศษต่างๆที่บ้านตนจริงบ้างไม่จริงบ้างตามประษาเด็กที่รักบ้านและได้รับความสุขจากพี่น้องที่ห้อมล้อมอยู่ทางบ้านเท่าที่ได้ฟังช้อยคุยพลอยก็รู้ได้ว่าบ้านของช้อยไม่ได้ใหญ่โตกว้างขวางเท่ากับบ้านฝ้าข้างโน้นของตนแต่พลอยก็รู้ตัวว่า ไม่อยู่ในฐานะที่จะนำเรื่องทางบ้านเล่าอวดช้อยและชวนช้อยไปค้างบ้านเป็นการตอบแทนได้เพราะว่าแม้แต่ตัวพลอยเองจะได้กลับไปอีกหรือไม่พลอยเองก็ยังไม่แน่ใจถ้าทางบ้านฝ้าข้างโน้นมีเพียงเจ้าคุณพ่อคุณเชยและพ่อเพิ่มถึงแม่จะอยู่หรือไม่ก็คงไม่สู้ไกลนกะแต่การที่มีคุณอุ่นอยู่ที่บ้านนั้นด้วยและอยู่ในฐานะเจ้าของบ้าน ทำให้พลอยไม่กล้านึกอาจเอื้อมไปถึงได้ความสนใจของพลอยเกี่ยวกับการโกนจุกเมื่อเพิ่มขึ้นจนเข้าขั้นตื่นเต้นเมื่อใกล้วันงานเข้าไปอีกถึงตอนที่เสด็จเริ่มทรงจัดของแต่งตัวประทานพลอยตื่นเต้นเมื่อเห็นของแต่งตัวที่ถูกเตรียมไว้สองชุดเกี้ยวที่ทําด้วยทองคําประดับเพชรพลอยแวววาม ผ้ายกทองสีสดที่พลอยจะได้นุ่งชวนให้ต้องชำเลืองดูบ่อยๆครั้นแล้วก็ถึงตอนปักนวมซึ่งทั้งสองคนจะต้องสวมรอบคอในวันนั้นในขั้นแรกคุณสายเรียกพลอยและช้อยไปวัดคอและส่วนกว้างของไหลเพื่อให้ได้ขนาดที่จะเย็บนวมนั้นด้วยผ้าต่อจากนั้นไปก็เป็นเวลาที่จะต้องตรึงเครื่องเพชรต่างๆ เข้าไปกับนวมที่เย็บเอาไว้มีแหวนสายสร้อยที่ตลอดจนของอื่นๆอีกเป็นอันมากซึ่งมารวมกันทําให้นวมนั้นกลายเป็นอาภรณ์ที่แพ ร, ว, พรวไปด้วยเพชรนินจินดาพลอยเห็นความพยายามของคนทั้งตาหนักตั้งแต่เสด็จลงมาที่จะช่วยกันทําให้ตนได้แต่งกายอย่างสวยงามที่สุดในงานกวนจุกนั้นก็อดที่จะปลื้มใจเสียไม่ได้และความรู้สึกที่สําคัญนั้นก็คือ แม้ว่าแม่ของตนจะอยู่ไกลมีอุปสรรคไปมาหาสู่กันไม่ได้แม้ว่าทางบ้านจะมีอุปสรรคกีดขวางมีให้พลอยไปมาได้สะดวกแต่ก็ยังมีสเสด็จซึ่งเป็นเจ้านายใหญ่โตและมีคนอีกกลุ่มหนึ่งที่มีความเมตตาต่อตนเห็นพลอยเป็นคนที่ยังมีความสำคัญอยู่เม่อ <ți> ถ, ถึงกาหนดวันงานคุณสายก็บอกให้รู้ว่า จะต้องผาดพลอยและช้อยออกไปอยู่ที่บ้านข้างนอกวางก่อนวันงานเจ็ดวันเพราะว่ามีเรื่องที่จะต้องทำมากมายคุณสายรับตรงๆว่าไม่ไว้ใจพี่สะพยคือมารดาของชอยผู้อยู่ทางบ้านโดยบอกว่าเป็นผู้ที่มีอารมณ์ดีเกินไปดีแต่นั่งนัดยานัดถ้าปล่อยให้เป็นผู้บรยการของงานที่จะมีขึ้นโดยที่คุณสายไม่ออกไปดูเองงานนั้นอาจจะล้มเหลวลงทั้งงานก็ได้ ด้วยเหตุนี้คุณสายก็เลยพาพลอยและช้อยขึ้นไปทูลลาเสด็จพร้อมกันแล้วก็หอบข้าวของผรุงผารังออกจากประตูวังในเช้าวันหนึ่งโดยมีพลอยช้อยและพาดพร้อมด้วยคนอื่นๆที่สมัครไปช่วยงานติดตามถือของไปพร้อมกันที่หน้าประตูวังชั้นนอกมีรถม้ามาคอยอยู่สองคันพี่เนื่องพี่ชายของช้อยยืนยิ้มกำกับอยู่โดยบอกว่าคุณพ่อให้มารับ คุณสายขึ้นรถม้าคันเดียวกับเด็กๆและพี่เนื่องพร้อมกับหีบของแต่งตัวต่างๆที่คุณสายไม่ยอมให้ใครถือส่วนคนอื่นๆ น, นั้นขึ้นรถม้าอีกคันหนึ่งตามมาติดๆระหว่างทางชอยก็คุยกับพี่เนื่องมาตลอดส่วนพลอยก็นั่งมองสิ่งต่างๆสองข้างทา ง, า ง, างด้วยความตื่นเต้นเพราะครั้งนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งที่พลอยเดินทางไปในทางที่ไม่เคยผ่านในชีวิต เพราะว่าชีวิตของพลอยก็แทบจะไม่ได้เดินทางไปไหนเลยนะคะแค่ออกจากบ้านนี่ก็ตื่นเต้นแล้วแต่ว่าครั้งนี้ไปบ้านของชอยรถม้าสองคันก็แล่นฝุ่นตลบแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่พลอยรู้สึกว่านานเอาการจนกระทั่งไหนที่สุดรถก็มาจอดอยู่ริมถนน ตรงปากตรอกซึ่งมีสะพานยาวทำด้วยไม้กระดานเป็นทางเดินเข้าข้างในบ้านของช้อยเป็นบ้านแบบโบราณประกอบด้วยเรือนฟ้ากระดานหลายหลังเชื่อมต่อกันตลอดด้วยนอกชาดเบื้องล่างเป็นใต้ถุนมีสัมภาระต่างๆกองไว้บ้างแต่ก็ไม่ถึงกับรกพอพวกที่ไปถึง ขึ้นบันไดเรือนแม่ของช้อยก็กระวีกระวาดออกมาคอยรับพรอยเพิ่งจะมารู้จักชื่อพ่อแม่ของช้อยในวันนี้เพราะได้ยินคุณสายเรียกพ่อของช้อยผู้เป็นพี่ว่าพี่นบและเรียกแม่ของช้อยผู้เป็นพี่สะใภ้ว่าแม่ฉันแม่ของช้อยดูเหมือนจะมีอายุอ่อนกว่าคุณสายพรอยกะว่าจะเป็นคนรุ่นราวคราวเดียวกับแม่ของตน ชอยเห็นแม่ของตัวก็วิ่งเข้าไปกอดอรัตอย่างแรงจนแม่ต้องหัวเราะแล้วก็ร้องว่าช้อยระวังหน่อยเดี๋ยวแม่จะตกกระไดตายความดีใจของชอยที่ได้พบพ่อแม่ดูเหมือนจะกินเวลาไม่นานนักเพราะว่าพอขึ้นไปบนเรือนหลงนั่งพูดจากันได้ไม่นานชอยก็สะกิดพลอยแล้วก็ชวนพลอย ไปเล่นข้างล่างชอยพาพรอยเดินเลาะลัดลงบันไดด้านหลังโดยที่ผู้ใหญ่ไม่ทันสังเกตเมื่อลงบันไดแล้วชอยก็พาพรอยวกเข้าใต้ถุนเรือนตรงไปยังแคร่เก่าๆตัวหนึ่งที่วางอยู่บนแคร่มีสุนัขพันทางสีขาวดังน้ำตาลเป็นขี้เรื้อนจนขนร่วงหมดไปหลายแห่ง นอนอยู่อย่างสบายพอชอยเห็นก็ร้องขึ้นอย่างดีใจว่าอีดางส่วนสุนักนั้นก็ลุกขึ้นกระดิกหางอย่างดีใจที่ได้พบชอยเช่นกันชอยก็เป็นคนรักสัตว์นะคะพอไปเจอหมาก็ดีอกดีใจทักทายว่าอีดางเอ็งคิดถึงข้าบ้างไหมชอยถามแล้วก็ตรงเข้ากอดสุนักอย่างปราศจากความรังเกียจ ส่วนอีดงังก็ตอบคำถามของชอยด้วยการเลียตลอดตั้งแต่ศีรษะลงไปจนถึงปลายแขนพร้อมด้วยการกระดิกหางอย่างแรงไปมานี่ไงพลอยอีดังของฉันดูสิไม่เดี๋ยวพบกันตั้งนานมันยังจำฉันได้เลยทีแรก ฉันจะเอาเข้าไปในวังด้วยแล้วแต่คุณอาไม่ยอมกลัวว่ามันจะไปเห่าหนวกหูหน้าเอนดูไม่ละพลอยพรอยมองดูอีด่างแล้วก็ได้แต่ยิ้มเพราะอีด่างนั้นมีวัยและสังขารเกินหน้าเอ็นดูเสียแล้วอาจจะเป็นเพราะออกลูกมากหรืออะไรก็ตามแต่อีด่างพร้อมโกโรโกโซ และก็เป็นขี้เรื้อนมากกว่าที่พลอยนึกเมื่อมองเห็นแต่ไกลระหว่างที่ช้อยยังกอดจูบกับอีด่างอยู่ด้วยความสนิทสนมนั่นเองพลอยก็เริ่มเหลียวมองดูบริเวณบ้านของช้อยทั่วๆไปด้วยความสนใจ ของชอยเป็นบ้านที่ค่อนข้างจะเก่าแต่ก็กว้างขวางก็เรียกว่าเป็นบ้านที่แสดงที่เห็นฐานะนะคะว่าเป็นผู้มีอันจะกินคนหนึ่งบ้านนี้เป็นบ้านของตระกูลของช้อยอยู่กันมาหลายชั่วคนค่ะบริเวณบ้านร่มครึ้มไปด้วยต้นไม้ใหญ่ส่วนมากเป็นต้นมะม่วง รอบๆอบเรือนก็ตั้งต้นไม้กระถางมีไม้ดอกไม้ดัดแล้วก็มีกระถางบัววางสลับอยู่เป็นระยะระยะจะว่าไปแล้วบ้านของช้อยผิด ก, กับบ้านของพลอยในข้อที่ว่าเป็นบ้านซึ่งคนธรรมดาที่มีฐานะดีอาจอยู่ได้ไม่ได้มีอะไรพิเศษนอกเหนือไปจากนั้นคือเป็นบ้านใหญ่ แต่ว่าเป็นบ้านแบบธรรมดาธรรมดาในขณะที่บ้านของพลอยนั้นเห็นปุ๊บก็ต้องรู้ทันทีว่านี่คือบ้านขุนนาและเจ้าของบ้านต้องอยู่ในสกุลสูงมีอํานาจวาสนาคือไม่ธรรมดานะคะแต่ที่ผิดกันมากจนพลอยสังเกตเห็นได้ชัดนับตั้งแต่เวลาก้าวเข้ามาในบ้านก็คือที่บ้านของช้อยนั้นทุกคนเป็นเจ้าของบ้านร่วมกันอยู่ใต้หลังคาเดียวกัน จะสุขก็สุขด้วยกันจะทุกข์ก็ทุกข์ด้วยกันพรอยรู้สึกว่าที่นี่คนในบ้านไม่ได้แยกกันอยู่ในฐานะเจ้าบ้านและคนอาศัยต้นไม้ทุกต้นกระดานทุกแผ่นเสาทุกต้นของตัวเรือนดูเหมือนจะเป็นเครื่องเชื่อมโยงให้เกิดความรู้สึกว่าทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกันอยู่ทุกขณะ อันนี้คือสิ่งที่พลอยสังเกตเห็นนะคะเป็นความแตกต่าง ก, กับบ้านของพลอยเสียเหลือเกินเมื่อมาถึงชอยก็ตรงไปหาหมานั่นก็คืออีด่างนะคะ่ะดีใจมากถึงแม้ว่าอีด่างตัวนี้เนี่ยจะเป็นหมาที่เรื้อนเกินกระทั้งขนร่วงไปหมดหลายแห่งแต่ชอยก็สามารถที่จะกอดจบทั้งกอดทั้งจูบอีด่าง โดยที่ไม่ได้รู้สึกกังเกียจอะไรคือพอมาถึงบ้านก็ไปทักทายอีดางก่อนเลยจากนั้นก็เจอพี่เนื่องพี่เนื่องซึ่งเป็นพี่ชายของชอยนะคะมีกันอยู่สองคนพี่น้องพี่เนื่องก็พาพลอยกับชอยไปดูประเข็มประเข็มลูกหม้อ ซึ่งนี่เป็นครั้งแรกนะคะที่พลอยเคยเห็นปลาเข็มตัวโตวขนาดนี้ทุกตัวสีขาวเป็นมันมีจุดแดงที่หางครบลักษณะพลอยรู้สึกว่าปลาเข็มของพี่เนื่องนั้นสวยงามแล้วก็ปราดเปรียวยิ่งกว่าปลาเงินปลาทองที่คุณพ่อเคยเลี้ยงไว้ที่บ้านพี่เนื่องเลี้ยงไว้ดูเล่นเหรอเปล่าเลี้ยงไว้กัดกัน นี่เป็นความรู้ใหม่ของพลอยค่ะว่าปลาเข็มนั้นกัดกันได้พี่นืองก็กวนน้ำในอ่างอีกใบนึงให้น้ำหมุนวนอย่างแรงแล้วก็อปลาลงปล่อยให้ว่ายทวนน้ำให้พลอยดูพลอยชอบใจหัวเราะในขณะที่ช้อยก็วางมือจากอีดางมายืนดูอยู่ด้วยแต่ก่อนฉันก็มีตั้งหลายตัวช้อยอวดขึ้นอย่างภาคภูมิอย่ามาอวดหน่อยเลยปลาป่าอย่างนั้นเขาไม่เล่นกันแล้วละ่ะ คุณพ่อของช้อยลงจากบันไดเรือนแล้วก็มาร่วมวงกับเด็กๆ ด, ด้วยอธิบายให้พลอยฟังถึงเรื่องของการเลี้ยงปลากัดปลาเข็มอย่างพิสดารทําให้พลอยรู้สึกว่าที่บ้านของช้อยมีอะไรอย่างหนึง่งที่ตนไม่เคยรู้จักสิ่งนั้นก็คือความเป็นอยู่ที่สนิทสนมของคนในครอบครวัวที่ปราศจากการแตกแยกบ้านของช้อยร่วมมือกันได้ทุกอย่างในระหว่างพ่อกับลูกเด็กกับผู้ใหญ่ แม้แต่ในเรื่องที่ดูจะเป็นของเด็กแท้ๆอย่างเช่นเรื่องของประเข็มที่เจ้าคุณพ่ อ, อขออภัยที่คุณพ่อนะคะก็มาร่วมวงได้คือพ่อของช้อยไม่ได้เป็นพยานะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นคุณพ่อเฉยๆแต่ว่าพลอยนั้นเป็นลูกพยามแต่เรื่องนี้ที่บ้านของพลอยไม่มีค่ะเพราะฉะนั้นตลอดเวลาที่พลอย มาค้างอยู่ที่บ้านของชลอยพลอยก็ได้เห็นอะไรแปลกๆใหม่ๆมากมายนะคะและพลอยก็มีโอกาสสนิทสนมกับพี่เนื่องมากขึ้นกว่าเดิมด้วยเพราะวาพี่เนื่องไม่มีหน้าที่ที่จะต้องกะเตรียมการงานแต่อย่างใดนะคะเนื่องจากว่าเป็นผู้ชายก็เลยมีเวลาว่างวันๆก็มีเวลาที่จะได้พบปะเล่นหัวกับพลอยและก็ช้อยมากกว่าคนอื่น ส่วนพ่อของช้อยก็เป็นอีกคนหนึ่งซึ่งพลอยมีโอกาสคุ้นเคยด้วยมากเพราะว่าพ่อเนี่ยก็ไม่มีหน้าที่กำหนดแน่นอนเช่นเดียวกันวันๆก็จะแต่เดินไปเดินมานะคะในขณะที่คุณสายแม่ของช้อยแล้วก็ผู้หญิงค น, น, นอื่นๆเนี่ยก็ต้องเตรียมงานกันเป็นโกลาหลและะ้วค่ะพ่อของช้อยไม่รู้จะพูดจะคุยกับใครก็เลี่ยงมาสมาคมกับพวกเด็กๆ พลอยไม่เคยอยู่ในบรรยากาศที่เป็นกันเองแบบนี้มาก่อนเลยนะคะเพราะว่าบ้านของพลอยนั้นเต็มไปด้วยกฎประเบียบ ม, มีบรรยากาศที่เคร่งเครียดเพราะฉะนั้นช่วงที่ออกมาค้างบ้านของช้อยนี่แหละคะ่ะจึงเป็นเวลาที่พลอยระลึกนึกถึงเสมอว่าเป็นเวลาที่มีความสุขที่สุดระยะหนึ่งพ่อของช้อยเป็นคนง่ายๆ เป็นคนที่ไม่พิถีพิถันคือสบายๆวันหนึ่งหนึ่งถ้าว่างก็อยู่กับต้นไม้ดอกไม้ดัดหรือว่าเดินดีดมือกับนกเขาซึ่งใส่กรงแล้วก็แขวนเอาไว้ตามหลังคาเรือนหลายกรงนอกจากนั้นก็นั่งดูลูกๆวิ่งเล่นส่วนแม่ของชอยที่ชื่อว่าแม่ชั้น แม่ฉันเป็นคนที่อารมณ์ดีดีอย่างชนิดที่ว่าพลอยไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะคือมีเรื่องให้หัวเราะได้ทุกวันต้องบอกว่าทั้งวันมากกว่าถ้าไม่หัวเราะลูกก็หัวเราะกับคนอื่นในที่สุดเมื่อไม่มีอะไรหัวเราะก็นั่งหัวเราะตัวเองแม้แต่คุณสายซึ่งเป็นคนเจ้าระเบียบทำอะไรเป็นงานเป็นการแล้วก็ไม่มีความนับถือพี่สะายของตนแม้แต่น้อย เมื่อมาอยู่บ้านของชอยก็ติดต่อโรคอารมณ์ดีของแม่ชันผู้เป็นสะพายพลอยนั่งหวัวเราะกับแม่ชันไปด้วยทั้งที่ปากก็บ่นอยู่เรื่อยๆว่าแม่ชันเนี่ยมาชวนทําให้เสียงานเสียาการแต่คุณสายก็โกรธแม่ชันไม่ลงสักทีคือเป็นคนคนละประเภทกันคุณสายที่เป็นมนุษย์เป๊ะเป็นชาววังนะคะจะทําอะไรเนี่ยมีหลักมีเกณฑ์มีขั้นมีตอนในขณะที่แม่ชัน เป็นคนอารมณ์ดีเป็นคนที่ไม่เอาเรื่องเอาราวแล้วก็เป็นคนที่สบายๆนะคะคนประเภทนี้มีความสุขค่ะแต่ถ้ามาเจอกับคนประเภทคุณสายคนประเภทคุณสายเนี่ยจะมีความทุกข์เพราะว่าจะอ่อนอกอ่อนใจแล้วก็จะหงุดหงิดแต่ก็โกรธไม่ลงนะเหมือนกับคุณสายที่โกรธแม่ชั้นไม่ลงและเพอเพอก็หัวเราะไปกับแม่ชั้นด้วยแม่ชั้นมักจะทำอะไรผิดพลาด อย่างบางทีเมื่อแม่ชั้นออกไปข้างนอกว่าจะไปซื้อของคุณสายก็จะต้องสั่งซื้อของที่จําเป็นต้องใช้มากมายหลายอย่างซึ่งต้องสั่งเสียและก็ซักซ้อมกันหลายตลบก่อนที่แม่ชั้นจะออกจากบ้านไปได้ซึ่งแม่ชั้นก็จะรับรองอย่างแข็งขันทุกครั้งไปนะคะแต่พอแม่ชั้นกลับมาถึงบ้านเอาของที่ไปซื้อมาออกตรวจดูปรากฏว่ามีของเยอะแยะมากมายมีของสําหรับฝากลูก ของสำหรับฝากผัวซึ่งแม่ชันเรียกว่าคุณหลวงตลอดจนของฝากคุณสายและก็พวกพ้องที่ออกมาจากหวงังแม้แต่บ่าวในบ้านก็มีของฝากคือมีของมาฝากทุกคนส่วนของที่ไม่มีก็คือของที่คุณสายคาดคั้นเป็นนักเป็นหนาว่าให้ซื้อมาให้ได้นั่นเองค่ะคือได้ของเยอะนะได้ทุกอย่างยกเว้นของที่คุณสายสั่ง และพอรู้ว่าของได้มาไม่ครบเพราะพี่สะพ้ายลืมคุณสายก็จะต้องบ่นตุบตับไปตามระเบียบนะคะแต่แม่ฉันก็ไม่โกรธกลับนั่งหัวเราะความขี้หลงขี้ลืมของตัวเองจนน้ำหูน้ำตาไหลนี่คือแม่ของชอยนะคะและที่บ้านหลังนี้เป็นที่ที่ทําให้พลอยได้เห็นว่าความรักของพ่อแม่ที่มีต่อลูกนั้น อาจจะมีได้มากมายเพียงใดแม้แต่พลอยซึ่งเป็นคนอื่นก็พลอยได้รับส่วนแบ่งแห่งความรักนั้นไปด้วยเพราะว่าพลอยมาอยู่บ้านนี้ในฐานะเพื่อนของลูกในบ้านนี้ไม่มีอะไรที่จะดีเกินไปสำหรับเด็กๆของกินทุกอย่างไม่มีของต้องห้ามไม่มีการปันส่วนว่าอย่างนั้นให้เด็กกินอย่างนี้ให้ผู้ใหญ่กินไม่มีถ้าสิ่งใดเป็นของควรกินควรใช้ ผู้ใหญ่ในบ้านนั้นจะต้องนึกถึงเด็กก่อนที่จะนึกถึงตัวการอบรมสั่งสอนเด็กนั้นมีอยู่เสมอแต่กระทําด้วยการสมาคมกับเด็กคือด้วยการพูดคุยแล้วก็ปล่อยให้เด็กได้พูดคุยซักถามตามใจไม่ให้เด็กรู้ตัวว่ากําลังถูกอบรมสั่งสอนทั้งพี่เนื่องและช้อยก็ดูเหมือนว่าจะรักพ่อรักแม่มากกว่าสิ่งใดๆ แต่ขณะเดียวกันก็ไม่ได้รักแบบเกรงกลัวอย่างที่พลอยเคยรู้สึกต่อผู้ใหญ่อื่นๆบ้านนี้ตั้งอยู่บนความรักความเห็นใจระหว่างพ่อแม่แล้วก็ลูกคือเป็นบ้านแห่งความรักความอบอุ่นและความรักนั้นก็แผ่อิทธิพลไปถึงคนอื่นๆในบ้านนั้นด้วยไม่ว่าจะเป็นญาติผู้คนอื่นๆหรือแม้กระทั่งบ่าวไพร่ตลอดจนแขกที่มาหา ทุกคนมักรู้สึกว่าบรรยากาศในบ้านนั้นรื่นรมเป็นพิเศษทําให้บ้านของชอยเป็นศูนย์กลางการสมาคมของคนเป็นจํานวนมากในขณะที่คุณพ่อของช้อยหรือว่าคุณหลวงก็เป็นคนที่มีเพื่อนฝูงมากมายพอดูเพื่อนฝูงเหล่านี้มักจะมาชุมนุมกันในตอนบ่ายจับกลุ่มคุยกันกลางนอกชาตซึ่งกั้นหลังคาคลุมเอาไว้ตอนหนึ่ง อย่างสบายอารมณ์ตอนบ่ายเป็นเวลาที่บ้านนั้นเพิ่มความรื่นรมขึ้นไปอีกเพราะว่าจะมีเสียงคุยเสียงหัวเราะทางเจ้าของบ้านก็คอยปฏิบัติแขกที่มาหาด้วยเครื่องกินเครื่องดืง่มเวลาที่คุณหลวงคุยกับเพื่อนๆดูเหมือนจะเป็นเวลาที่แม่ชั้นมีความสุขค่ะแม่ชั้นจะนั่งคอยจัดเครื่องดื่มของแกลมแล้วก็สิ่งเงินอื่นอย่างเช่นมากรูบรีส่งไปให้ม่ให้ขาดเหลือ โดยที่แม่ชั้นก็จะเก็บตัวอยู่ในบ้านไม่ออกไปร่วมวงสนทนาแต่มีความสุขที่ตนสามารถปนิบัติสามีและเพื่อนของสามีให้มีความสุขความสบายได้แต่เพื่อนเหล่านี้เป็นเพื่อนสนิทเข้านอกออกไหนได้ทุกคนส่วนมากก็เป็นข้าราชการหรือว่าบุคคลที่มีฐานะเท่าเทียมกับเจ้าของบ้านเพราะฉะนั้นถึงแม่ชั้นไม่ออกไปแต่ละคนก็ต้องหาโอกาสย่องเข้ามา ที่ไม่ชั้นนั่งทำงานเพื่อทักทายปราศใยพูดคุย ด, ด้วยไม่เว้นแต่ละคนนี่คือบ้านของช้อยที่มีความเป็นอยู่อย่างง่ายๆแล้วก็เป็นกันเองนะคะเจ้าของบ้านก็เป็นคนอารมณ์ดีแต่ขณะดเดียวกันก็มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยคือก็ไม่ได้สบายจนกระทั่งไม่มีระเบียบวินัยนะคะนอกจากนั้นค่ะบ้านนี้ มีความเมตตากรุณาที่คนในบ้านแสดงต่อเพื่อนมนุษย์โดยทั่วไปทาให้พลอยรู้สึกมีความสุขเหลือเกินบางครั้งถึงกับตื้นตันจนบอกไม่ถูกพลอยรักคนทุกคนในบ้านนี้เหมือนกับเป็นพ่อเป็นแม่พี่น้องของตัวเองและสำหรับพี่เนื่องพลอยก็ปล่อยให้จิตใจหันเข้าหาในฐานะที่พี่เนื่องโตกว่าแข็งแรงกว่าและเป็นเพื่อน ที่ให้ความปกปักรักษาคุ้มครองแก่ตนได้มากกว่าใครๆทั้งสิ้นในที่สุดวันงานโกนจุก ข, ของพลอยและช้อยก็มาถึงค่ะการตกแต่งบ้าน สำเร็จลงด้วยน้ำมือของเพื่อนฝูงและข้าราชการกรมเดียวกับคุณพ่อของช้อยซึ่งมาช่วยงานเป็นจำนวนมากแม่ชั้นก็ครุกอยู่ในโรงครัวนะคะเพื่อคอยจัดอาหารเลี้ยงคนให้ทันส่วนคุณสายก็ทำหน้าที่แต่งตัวเด็กทั้งสองคุณหลวงเป็นผู้อำนวยการพิธีที่สำหรับพระสวดมนต์ทำน้ำมนต์ ก็จัดเอาไว้ทางหอนั่งส่วนการกวนจุบตลอดจนทาขวัญ น, นั้นให้มีที่บริเวณนอกชาิมีการปัดกวาดบ้านช่องจนสะอาดสะอ้านเรียบร้อยในโอกาสนี้คุณสายก็ถือโอกาสรวบรวมของที่ไร้ประโยชน์ต่างๆของบ้านเป็นต้นว่าฉลอมเก่าตะกร้าขาดแล้วก็ของกระจุกกระจิกอีกมากนะคะ ที่แม่ชั้นชอบสะสมเอาไว้เอามากองนอกเรือนแล้วก็สั่งให้จุดไฟเผาพร้อมกับบ่นว่าพี่สะพ้ยชั้นที่แปลกชอบเก็บของอะไรต่ออะไรไว้จนรกเป็นรังหนูล้วนจะเป็นของที่ใช้ไม่ได้แล้วทั้งนั้นส่วนแม่ชั้นเมื่อเห็นของรกรุงรังมากมายก็รูปอกตกใจร้องอุทานว่าตายไม่นึกเลยเพ้อไปหน่อยเดียวเท่านั้นบ้านรกจริงๆ วันฟังสุดมนั้นพอตกสายพลอยและช้อยก็ถูกเรียกตัวไปขับสีชวีวันบริเวณข้างหลังเรือนใกล้ๆ ก, กับที่วางตุ่มมังกรแล้วก็ขันน้ำนะคะคนที่ดำเนินการก็คือคุณสายแม่ชันแล้วก็ผู้หญิงอีกสองสามคนคือเรียกว่าการขัดสีชวีวัน หรือเป็นเรื่องใหญ่ทีเดียวนะคะคุณสายนั้นมอบตัวพลอยให้แก่แม่ชันแล้วก็บอกว่าแม่ชันอาบน้ำพลอยเถอะไม่สุกอะไรนักแต่ไม่ช้อยลูกสาวหล่อนนี่ฉันจะจัดการเองคนอื่นไม่สำเร็จหรอกคอยดูเถอะจากนั้นก็เริ่มมีการอาบน้ำครั้งใหญ่ที่สุดที่พลอยเคยประสบมาในชีวิตนะคะ เป็นมหากรรมการอาบน้ำเลยทีเดียวค่ะทุกคนที่อยู่ที่นั่นนะคะก็ช่วยกันคนละไม้คนละมือรดน้ำทาขมิ้นถูตัวแล้วก็ทาขมิ้นอีกเหมือนกับว่าจะไม่ให้มีฝุ่นละอองติดอยู่อีกพรอยนั่งให้ผู้ใหญ่อาบน้าอยู่รู้สึกว่ามันนานเหลือเกินนะคะอาบยังไงยังไงก็ไม่เสร็จสักทีจนรู้สึกหนาวปลายนิ้วมือเริ่มเหี่ยวนะคะผิวหนังก็แสบ ด้วยแรงขัดถูและเหตุการณ์ก็เป็นไปตามที่คุณสายคาดเอาไว้นั่นก็คือพอสักพักหนึ่งชอยก็เริ่มอร า, ารวาดค่ะตอนแรกก็เพียงแต่ร้องไห้เล็กน้อยแต่เมื่อคุณสายยังไม่เลิกชอยก็เปลี่ยนเป็นร้องไห้ดังๆคุณสายจับ้าที่ตรงไหนก็สลัดที่ตรงนั้น ในที่สุดเหตุการณ์ก็รุนแรงจนถึงลงดิ้นภายในเวลาไม่นานนะคะและจากนั้นค่ะเหตุการณ์ก็เปลี่ยนไปกลายเป็นมวยปล้ำกลายเป็นมวยปล้ำระหว่างคุณสายแล้วก็ไม่ชอยโดยมีแม่ชั้นเนี่ยเป็นคนดู คือแม่ชันที่เป็นคนอารมณ์ดีจริงๆนะไม่ได้เดือดเนื้อร้อนใจอะไรเลยวางมือจัดพลอยแล้วก็นั่งหัวเราะร่วนด้วยความชอบใจชอบใจที่เห็นน้องสามีแล้วก็ลูกตัวเองเนี่ยสู้กันเมื่อชอยได้แผลงฤทธิ์จนกระทั่งคุณสายเปียกปอนไปทั้งตัวแล้วนะคะชอยก็เริ่มหัวเราะ เป็นเหตุให้คุณสายหมดความอดทนต้องใช้อำนาจบาดใหญ่ตีช้อยซะหลายทีก่อนที่เรื่องจะสงบลงได้แล้วก็มีการสำรวจนะคะพลิกหน้าพลิกหลังว่าเด็กทั้งสองเนี่ยสะอาดเอี่ยมแน่แล้วก็ลงมติให้ขึ้นจากน้ำได้ก็นับว่าการทรมานสิ้นสุดไปขั้นหนึ่งแต่ยังไม่หมดนะคะ อาบน้ำเสร็จแล้วก็จะมีการแต่งตัวเริ่มด้วยการปัดฝุ่นเขียนคิ้วอย่างละครราคุณสายบอกว่าจะต้องผัดหน้าให้สวยให้ได้แล้วก็จะต้องผัดทีละคนพรอยเป็นคนที่ถูกผัดก่อนนะคะด้วยเหตุผลที่ว่าพรอยผัดหน้าก่อนเถอะถึงเสร็จแล้วก็ไว้ใจได้ถ้าผัดแม่จะประคุณช้อยเสร็จก่อนประเดี๋ยวก็มอมอีกเลยไม่ต้องฟังสวดกันละทีนี้ การผัดหน้านั้นก็ทรมานไม่ใช่เล่นค่ะเพราะผิวหน้าที่ถูกขัดถูมาใหม่ๆพอเริ่มถูกฝุ่นทับเข้านะคะก็จะแสบแต่คุณสายก็ปลอบว่าไม่เป็นไรประเดี๋ยวก็หายผัดหน้าเสร็จแล้วก็เริ่มแต่งตัวและก็แต่งด้วยลักษณะอาการที่ดูเหมือนจะไม่มีวันเสร็จระหว่างนั้น ก็มีเวลาหยุดพักให้กินอาหารกลางวันซึ่งก็มีคนมาประครับประคองคอยป้อนแล้วก็แต่งตัวกันต่อไปอีกของทุกอย่างในการแต่งตัวมีน้ำหนักมากเกินกว่าที่พลอยจะนึกถึงพอแต่งตัวไปได้ครึ่งเดียวก็เริ่มร้อนแทบจะขาดใจระหว่างที่แต่งตัวเกือบจะเสร็จนั่นเองนะคะ ก็มีเสียงทักทายข้างนอกบอกให้รู้ว่าญาติโยมและก็แขกเกือกำลังทยอยมาร่วมงานเรื่อยๆพอแต่งตัวเสร็จคุณสายก็อนุญาตให้ทั้งสองดูรูปโฉมตัวเองในกระจกพลอยเห็นภาพตัวเองก็ตกตะลึงแล้วคะ่ะเพราะว่าจำแทบไม่ได้ไม่ทราบว่าคุณฟังเคยเห็นภาพเด็กโกนจุกไหมคะเดี๋ยวนี้เราอาจจะไม่ค่อยมีโอกาสได้เห็น คือเขาก็จะมีการผัดหน้าให้ขาวมีการแต่งหน้าแต่งตาแล้วก็ใส่ชุดคล้ายๆกับชุดละครบรัมมนะคะส่วนชอยนั้นเมื่อส่องกระจกดูหน้าตัวเองก็หัวเราะลั่นแล้วก็ลองเรียกให้คนอื่นมาดูบอกว่าตัวอะไรก็ไม่รู้แต่งตัวเสร็จสักครู่ค่ะเสียงปี้าที่นอกฌานก็ดังขึ้น แสดงว่าพระที่จะสวดมนต์มาถึงและกาลังขึ้นเรือนปีพาดก็เลยรับพรอยและช้อยก็ถูกต้อนให้ออกไปฟังสวดช้อยเดินนำหน้าอย่างไม่กระดกักคือช้อยนี่เป็นคนที่มั่นใจไม่มีกระดกักไม่มีเขินอายนะถ้าพบหน้าญาติคนไหนที่รู้จักก็ยิ้มด้วยส่วนพรอยเดินตามหลังมองไปดูคนที่นั่งอยู่รียงรายเห็นไม่มีใครสักคนที่รู้จักก็สะท้อนใจ สงสารตัวเองที่ไรญ า, าติขาดมิดเดินก้มหน้าตามช้อยไปโดยดุษณีจนถึงห้องพระสวดมนต์ท่ามกลางเสียงพึมพำของแขกเรือที่ต่างก็พากันชมว่าเด็กสองคนนี้หน้าตาดีหรือว่าแต่งตัวสวยซึ่งคุณสายพูดทีหลังว่าพอได้ยินแล้วก็หายเหนื่อยไม่เสียทีที่ต้องปั้มกันเป็นนานสองนานนะคะ พี่เนื่องนั่งอยู่กับพื้นริมเฉลียงที่จะเข้าห้องสวดมนต์เป็นคนเดียวที่พลอยรู้จักในหมู่คนที่มาช่วยงานซึ่งนั่งเรียงรายอยู่ทั่วพอช้อยเดินผ่านจะเข้าไปในห้องพี่เนื่องมองดูช้อยอย่างขบขันยักคิ้วให้แล้วก็หัวเราะแต่เมื่อพลอยเดินไปถึงพี่เนื่องก็ซ่อนยิ้มอยู่ในใบหน้าแล้วก็มองพลอยไปอีกอย่างหนึ่งพลอยเองรู้สึกดีใจอย่างบอกไม่ถูก ที่พี่เนื่องมองตัวอย่างพอใจเพราะการแต่งตัวอย่างสวยงามถึงเพียงนี้พลอยอยากให้คนอื่นที่รู้จักและคนที่พลอยรักได้เห็นซึ่งขณะ น, นี้ดูเหมือนว่าทั้งงานจะมีพี่เนื่องคนเดียวที่เป็นคนรู้จักคุ้นเคยกับพลอยในขณะที่ตั้งงานนั้นไม่มีใครเลยนะคะคือนอกเหนือจากคุณสายแล้วก็พี่เนื่องแล้วก็ครอบครัวของชอยแขเกเรือที่มางาน ไม่ใช่แขกเหลือของพลอยเลยเป็นแขกเหลือของครอบครัวชอยทั้งสิ้นพลอยก็ค่อนข้างจะโดดเดี่ยวระหว่างที่นั่งฟังสวดพลอยก็นั่งอย่างสงบสงี่ยมแล้วก็สำรวมมีควันทูบควันเทียนเสียงพระสวดมนต์ซึ่งเท่ากันตลอดไม่มีสูงมีต่ำตลอดจนเครื่องแต่งตัวที่หนักอึ้งสิ่งเหล่านี้ก็ทาให้พลอย ต้องสํารวมโดยสภาพนะคะนั่งฟังพระอยู่สักพักหนึ่งก็มีเสียงคุณหลวงพ่อของช้อยทักทายคนหนึ่งผิดปกตินะคะคือไม่รู้ว่าใครมาคุณหลวงพ่อของชอยเนี่ยทักทาย แปลกไปกว่าที่ทักทายแขกเหรือคนอื่นๆพลอยก็เหลียวไปดูแล้วก็เห็นว่าตอนนี้แขกเหรือทั้งหลายเพ่งความสนใจไปทางประตูขึ้นเรือนด้วยท่าทางที่แสดงให้เห็นว่าแขกผู้ที่กำลังจะมาถึงนั้นต้องเป็นคนสำคัญต้องเป็นคนที่มีเกียรติเพราะว่าดึงดูดความสนใจจากแขกเหรือทั้งงาน ที่จับจ้องไปที่ประตูแล้วก็มีคนที่คอยต้อนรับอีกสองสามคนกุลีกุจอเอาพรมผืนเล็กมาปูเป็นพิเศษอีกผืนหนึ่งเพื่อต้อนรับแขกที่กำลังขึ้นบันไดามาพลอยก็นึกสงสัยว่าใครหนอจึงมีการต้อนรับเป็นพิเศษผิดกับคนอื่นๆถึงเพียงนี้คนใหญ่คนโตที่พลอยนึกออกก็เห็นมีแต่เสด็จ ซึ่งเสด็จเองก็ไม่มีทางที่จะเสด็จออกจากวังมาร่วมงานอย่างนี้ได้แต่นอกเหนือจากเสด็จพลอยก็นึกถึงคนอื่นไม่ออกนะคะแต่ทันใดนั้นพลอยก็ดีใจจนร้อนสู้ไปทั้งตัวเมื่อเห็นว่า คนที่ก้าวขึ้นบันไดมานั้นไม่ใช่คนอื่นคนไกลเลยแต่เป็นเจ้าคุณพ่อของพลอยเองเป็นคนที่พลอยไม่เคยนึกฝันว่าท่านจะมาในงานนี้เพราะว่าตั้งแต่เริ่มเตรียมงานก็ไม่ได้ปรากฏว่าท่านมาเกี่ยวข้องด้วยคือในขั้นตอนของการเตรียมงานก็วุ่นวายอยู่เฉพาะครอบครัวของชอย เจ้าคุณพ่อมากับพ่อเพิ่มซึ่งเดินตามหลังเข้ามาเมื่อพลอยลาลเห็นพี่ชายของตัวเองแท้ๆก็ยิ่งทวีความปิติความรู้สึกว่าเป็นคนไรญ า, าติขาดมิตรก็หายไปเป็นติดทิ้งคือตอนแรกพลอยรู้สึกว่า งานนี้เป็นงานของชอยซึ่งเป็นเจ้าของบ้านแม้ว่าตามความจริงนะคะเสด จ, จะได้กนจุก ป, ประธานเท่าเทียมกันก็ตามแต่เนื่องจากว่าทำที่บ้านของชอยก็เลยทาให้รู้สึกว่าเป็นงานของชอยและพลอยเป็นแต่เพียงผู้อาศัยแม้ว่าคนในครอบครัวของชอยจะแสดงทุกอย่างให้เห็นว่า พลอยมีได้สําคัญน้อยไปกว่าชอยคือทั้งบ้านเนี่ยก็ดูแลพลอยดีมากนะคะแต่ถึงกระนั้นความรู้สึกเช่นนั้นก็ยังคงซ่อนเร้นอยู่แต่ความรู้สึกนั้นหมดไปค่ะเมื่อเจ้าคุณพ่อก้าวขึ้นเบรือนเมื่อเห็นพ่อเพิ่มเดินตามหลังมาด้วยและที่สําคัญนะคะเจ้าคุณพ่อของพลอยนั้น ไม่ได้มาเหมือนกับแขกอื่นๆแต่มาในฐานะที่เป็นผู้มีเกียรติสูงสุดในงานเป็นประธานในงานนั้นโดยสภาพพรอยลายเห็นผู้คนที่อยู่ข้างนอกก้มลงกราบไหว้เจ้าคุณพ่อกันแทบทุกตัวคนเจ้าคุณพ่อมานั่งบนพรมที่ปูไว้เป็นพิเศษพอเพิ่มตา ม, มานั่งอยู่หา่างหา เสียงเจ้าคุณพ่อบอกให้พ่อเพิ่มไหว้คุณหลวงเสียเสียงคุณหลวงเรียกพี่เนื่องให้มากราบเจ้าคุณพรอยสำรวมกิริยายิ่งขึ้นไม่กล้าเหลียวหน้าไปดูเพราะกลัวเจ้าคุณพ่อจะว่าได้แต่ก็อดชำเลืยงมองดูชอยอยากรู้นะคะว่าชอยเนี่ยจะแสดงความสนใจอย่างไรบ้าง เมื่อมีเสียงต้อนรับกันที่ชานเรือนชอยก็เหลียวไปดูอย่างไม่เกรงใจใครเมื่อเห็นเจ้าคุณพ่อชอยก็เดาออกว่าจะต้องเป็นเจ้าคุณพ่อของพลอยพอพลอยชำระืองไปศพตาชอยก็ยิ้มด้วยแล้วก็พยักหน้าบุ้ยปากไปทางหลังซึ่งพลอยก็ยิ้มรับแล้วก็ก้มหน้าฟังสวดต่อไปเสียงคุณหลวงพูดกับเจ้าคุณพ่ออยู่ข้างหลัง ดังลอดเสียงพระสวดมนต์ขึ้นมาว่าแม่พลอยเป็นเด็กดีจริงเที่ยวขอรับเรียบร้อยน่ารักมาค้างอยู่นี่ไม่กี่วันคนชมกันปอกไปทั้งบ้านทีเดียวเขาเรียบร้อยมาแต่เล็กแล้วละ่ะบ้านคุณหลวงกว้างขวางน่าสบายอยู่พอของช้อยออกเนื้อออกตัวว่าบ้านเก่าแก่เต็มที ทำงานคราวนี้ได้อาศัยพระบารมีของเสด็จแต่ก็ยังมีบกพร่องอีกหลายอย่างต้องขออภัยและอื่นๆ อ, อ, อีกมากเมื่อพระสวดเสร็จถวายของพระและอนุโมทนาแล้วพรอยก็คลานออกไปนอกห้องพร้อมกับช้อยแล้วก็เข้าไปกราบเจ้าคุณพ่อด้วยกันทั้งสองคนเจ้าคุณพ่อ ย, ยิ้มดูพรอยอย่างพอใจแล้วก็ทักช้อยกับคุณหลวงว่า ลูกสาวคุณหลวงคนนี้ก็หน้าตาคมคายไม่ใช่เล่นโอ้ยส้นเหลือเกินละขอรับถ้าจะว่าไปแล้วของไต่เท้าหน้าตาดีกว่ามากแต่ก็เป็นธรรมดาเพราะมารดาเป็นคนสวยเมื่อคุณหลวงพูดไปแล้วก็รู้ตัวว่าพูดผิดไปคำโตนะคะก็หยุดกึกลงทันทีทำหน้าเก้อแต่เจ้าคุณพ่อก็อมยิม้ม แล้วหันมาพูดกับพลอยว่าแต่งตัวอย่างนี้หนักไม่พลอยถ้าจะร้อนเอาการอยู่เหงื่อออกซิกเลยทีเดียวพลอยเองเนี่ก็ใจหายว่าเหมือนกันนะตอนที่คุณหลวงพ่อของชอยพูดถึงแม่คือเรื่องนี้ก็คงจะเป็นเรื่องที่รู้กันอยู่นะคะว่าแม่ของพลอยเนี่ยเลิกกับพ่อ เลิกกันดับไม่ดีนะักแต่เจ้าคุณพ่อก็ไม่ได้ว่าอะไรเจ้าคุณพ่อนั่งคุยอยู่กับคุณหลวงต่อไปอีกอย่างคุ้นเคยส่วนพลอยและช้อยเมื่อทักทายปราสายเสร็จนะคะก็ถูกต้อนไปเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวแล้วก็ถูกทรมานอีกครั้งหนึ่งด้วยการอาบน้ําล้างหน้าเอาฝุ่นออกระหว่างนั้นปีพาธ ท, ที่มาตีก่อนและหลังพระสวดมนต์ ก็ยังคงทำเพลงต่างๆเรื่อยไปและเมื่อถึงเวลาพรบค่ำก็มีการจุดตะเกียงต่างๆสว่างสวัยสมกับเป็นบ้านที่มีงานปรากฏว่าคืนนั้นเจ้าคุณพ่ออยู่รับประทานอาหารที่บ้านซึ่งก็เป็นที่น่าแปลกใจว่าคุณหลวงพ่อของชอยนั้น ไปพูดจาเชื้อเชิญอย่างไรเพราะว่าปกติแล้วท่านไม่คงคงไม่ค่อยจะอยู่รับประทานอาหารที่บ้านไหนปรากฏว่างานนี้เจ้าคุณพ่อรับเชิญซึ่งก็ทำให้บ้านของชอยเนี่ยตื่นเต้นกันมากคุณหลวงวิ่งมาบอกแม่ชั้นภรรยาถึงข้างในด้วยความตื่นเต้นและก็สั่งให้จัดสำรับคับคอนเป็นพิเศษพรอยเองก็ดีใจที่พ่อของตน ปฏิบัติตัวเป็นกันเองกับคนที่พลอยรักแล้วก็นับถือเหมือนญาติแม่ชันนั้นดีใจมากนะคะเมื่อรู้ว่าพ่อของพลอยจะรับประทานอาหารที่บ้านของตนแล้วก็กุลีกุจอออกไปจัดสำรับให้เป็นพิเศษคือแยกต่างหากใส่ถ้วยชามที่ดีกว่าที่เตรียมเอาไว้รับแขกอื่นๆเมื่อพลอยอาบน้ำผัดเครื่องแต่งตัวเสร็จแล้วยังนั่งอยู่ในเรือน ดูคุณสายพับผ้าแล้วก็เก็บเครื่องแต่งตัวพี่เนื่องก็พาพ่อเพิ่มเข้ามาแต่งตัวสวยพ่ลึกละแม่พลอยพ่อเพิ่มทักทายแม่พลอยน้องสาวพลอยยิ้มแล้วก็บอกว่าพ่อเพิ่มนี่ไงแม่ช้อยเพื่อนฉัน ส่วนชอยก็ถามขึ้นว่าแล้วพ่อเพิ่มนี่ใครกันอา้าวก็พี่ฉันที่เคยเล่าให้ฟังไงล่ะอ๋อคนนั้นน่ะเหรอฉันนึกว่าตัวโตวกว่า น, นี้ตัวเท่านี้ต่อยกันฉันก็ไม่กลัวพูดมากไปหน้ายายชอยพี่เนื่องพูดหัวเราะหัวเราะอ้อาวจริงๆนะไม่เชื่อลองกันไม่ล่ะ คำพูดของช้อยก็ทําให้พ่อเพิ่มเนี่ยหายเกอ้อไปถนะความไม่กระดาษของช้อยทําให้พ่อเพิ่มรู้สึกว่าเขามานั่งในหมู่เพื่อนฝูงรุ่นเดียวกันนักเลงเลยนี่พลอยนี่มีเพื่อนเป็นนักเลงด้วยนะพี่เรืองก็เลยบอกว่านี่แหละนักเลงโตละกรอกนี้แล้วก็ไม่มีใครเกินเขาสักคนช้อยหัวเราะชอบใจและทุกคนก็หัวเราะขึ้นพร้อมกัน นั้นพ่อเพิ่มก็ถามถึงแม่แม่พลอยนี่แม่แกรู้หรือเปล่าว่าแม่พลอยโกนจุบคุณป้าสายสั่งคนไปบอกแล้วแต่แม่สั่งว่าแม่ยังมาไม่ได้อีกสองเดือนถึงจะมากรุงเทพไหวนั่นนะสิฉันก็เป็นห่วงแกเหมือนกัน ป่านนี้จะเป็นยังไงบ้างก็ไม่รู้ฉันไม่ได้ข่าวมาหลายเดือนแล้วท่านสองคนพี่น้องได้แต่มองหน้ากันแล้วก็รู้สึกไม่สบายใจเพราะต่างคนต่างก็เป็นห่วงแม่อยู่พอๆกันพลอยนั้นไม่ได้เจอเพิ่มมาหลายเดือน พบกันคราวนี้เพราะเพิ่มโตขึ้นมากลักษณะาท่าทางเป็นผู้ใหญ่เรียกได้ว่ารุ่นหนุ่มทีเดียวขนาดเดียวกับที่พี่เนื่องเป็นหนุ่มผิดกันแต่ว่าพ่อเพิ่มนั้นเป็นหนุ่มบอบบางแล้วก็เจ้าทุกขส่วนพี่เนืองนั้นแข็งแรงแล้วก็ร่าเริงเพราะมีชีวิตความเป็นอยู่คนละอยา่าง พลอยนั่งดูพี่ชายแท้ๆของตนแล้วก็สงสารจับใจพ้อยได้ถามถึงคุณเชยพี่สาวต่างมารดาซึ่งมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน และก็อยู่ในวัยใกล้กันพอเพิ่มบอกว่าคุณเฉยนั้นมีเรื่องกับคุณอุ่นบ่อยๆเพราะคุณเฉยไม่ยอมลงให้กับคุณอุ่นถือว่าเธอก็เป็นหนึ่งเหมือนกันคุณอุ่นสั่งอะไรก็ไม่ค่อยฟังพอเพิ่มบอกว่าอย่างฉันเนี่ยเธอก็สั่งไม่ให้คุณเฉยมาเล่นด้วยนะแม่พลอยเพราะเธอว่าฉันเป็นไพร แต่คุณเชยเธอก็ย้อนให้ว่าท่านลูกเจ้าคุณพ่อเป็นไพร่ลูกทุกคนก็เป็นไพร่หมดทีนี้ก็เลยถูกตีกันใหญ่แต่คุณเชยก็ยังมาเล่นกับฉันอยู่นั่นเองล่ะแล้ววันนี้ทําไมท่านไม่เอาคุณเชยมาด้วยล่ะก็คุณอุ่นนะสิเธอบอกว่าไม่อยากให้น้องเธอมาเกี่ยวข้องกับคนอย่างเราๆแล้วเจ้าคุณพ่อท่านว่ายอย่างไรบ้างก็เห็นท่านเฉยๆนะ ฉันก็เห็นท่านนิ่งทุกทีคุณอุ่นเธอพูดเอาคนเดียวเท่านั้นคุณเชยเองก็จะโกลนจุกเหมือนกันปีนี้แต่ต้องรอไปอีกสิบกว่าวันเพราะคุณแม่ท่านจะเข้ามาจากอัมพวางั้นเหรอถ้าจะสนุกกันใหญ่สินะก็งั้นแหละแม่พลอยที่บ้านเรามันไม่เหมือนบ้านคนอื่นทำอะไรมันก็ไม่สนุกไปได้หรอกจากนั้นแม่ชันก็โผล่เข้ามาในห้องหน้าตาเป็นมันนะคะ เรียกเด็กๆให้ไปกินข้าวเพราะว่าจัดสำรับเอาไว้ให้แล้วพอรู้ว่าพ่อเพิ่มเป็นพี่ชายของพลอยแม่ฉันก็ดีใจเข้ามาลูบหน้าลูบหลังแล้วก็พูดจาชมเชยต่างๆทั้งที่เพิ่งเคยพบกันเป็นครั้งแรกแม่ชันแม่ของชอยก็เป็นคนที่มีความเป็นกันเองมากนะคะถ้าสมัยนี้ก็อาจจะเรียกก็เป็นคนเยอะอยู่เหมือนกันแต่ว่าเป็นคนเยอะที่น่ารัก พอเจ้เด็กกินข้าวเสร็จแล้วคุณหลวงพ่อของช้อยก็ให้คนมาตามออกไปทางด้านหน้าของเรือนอันเป็นบริเวณที่มีงานตอนนั้นเป็นเวลาค่ําสนิทแล้วโคมไฟต่างๆที่แขวนไว้ดูสว่างราวกับเป็นกลางวันเจ้าคุณพ่อนั่งอยู่ในเรือนที่เรียกกันว่าหอนั่งโดยมีพ่อของช้อยกําลังอํานวยการให้คนให้คนเนี่ยยกสําหรับกับข้าวกระโถนแล้วก็ขันน้ําเข้าไปตั้ง พลอสังเกตว่าวันนี้เจ้าคุณพ่อมีอารมณ์ดีและก็รื่นเริงเป็นพิเศษยิ่งกว่าที่พลอยเคยเห็นเมื่อครั้งอยู่บ้านพอคนชายยกสำรับมาตั้งเรียบร้อยเจ้าคุณพ่อก็เอ่ยชวนคุณพ่อของช้อยให้มากินข้าวด้วยกันพอนบกินด้วยกั น, นเถอะนะเชิญท่านตามสบายเถิดขอรับไม่เอาละ นั่งกินคนเดียวยังกะจะเลี้ยงพระและจะไปอร่อยอะไรมากินเป็นเพื่อนกันหน่อยเถิดคุณพ่อของชอยก็ตกลงค่ะเรียกชามข้าวมาร่วมวงกับเจ้าคุณพ่อเมื่อเริ่มกินข้าวเจ้าคุณพ่อไลเห็นพรอยกับเด็กๆไปนั่งอยู่ที่เฉลียงก็เรียกเข้าไปข้างในแล้วก็ถามว่าพวกนี้กินข้าวกันแล้วหรือยัง เมื่อได้ความว่ากินแล้วก็ซักถามต่อไปว่ากับข้าวอย่างไหนอร่อยบ้างสิ่งเด็กๆ ก, ก็ตอบกันไปคนละอย่าง้องอย่างไม่ตรงกันเลยสักคนเดียวเจ้าคุณพ่อและคุณหลวงก็เลยตกลงกันว่าเมื่อความเห็นไม่ตรงกันเช่นนี้ก็จำต้องลองกินทุกอย่างพลอยรู้สึกว่าตนไม่เคยสนิทสนมกับเจ้าคุณพ่อมาแต่ก่อนเท่าคืนวันนี้เลยคือเจ้าคุณพ่อของพลอยนั้น ตอนที่อยู่บ้านก็จะมีความสัมพันธ์กับพลอยแบบห่างหา่างเป็นทางการแต่ว่าคืนวันนี้เจ้าคุณพ่อดูเป็นกันเองน่ารักสบายๆพลอยมีความสุขมากนะคะพลอยนึกชมคนในบ้านของช้อยว่ารักใคร่เป็นกันเองสนิทสนมแต่พอเจ้าคุณพ่อมาในบ้านนี้ เจ้าคุณพ่อก็กลายเป็นคนที่เป็นกันเองและสนิทสนมอย่างที่พลอยเคยฝ่ยฝันอยู่ตลอดมายิ่งเห็นเจ้าคุณพ่อพูดคุยด้วยอารมณ์รื่นเริงหัวรอดต่อกระซิบทักทายคนทั่วไปพลอยก็ยิ่งปลื้มความรักที่มีต่อเจ้าคุณพ่อซึ่งฝังลึกอยู่ในหัวใจเพราะไม่มีโอกาสจะแสดงได้ก็ดูเหมือนจะท่วมท้นออกมายิ่งมองไปดูคุณหลวงพ่อของช้อยซึ่งพยายามที่จะเอาอกเอาใจ เจ้าคุณพ่อของพลอยด้วยความนิยมรักใคร่และเห็นพี่เนื่องซึ่งดูเหมือนจะคอยฟังแล้วก็จดจําทุกคําที่เจ้าคุณพ่อพูดแล้วก็หัวเราะด้วยเมื่อผู้ใหญ่หัวเราะตลอดจนชอยซึ่งปกติก็ไม่ค่อยจะชอบใครง่ายๆชอยก็นั่งมองเจ้าคุณพ่อของพลอยด้วยความเลื่อมใสเช่นกันแล้วก็แสดงกิริยาอาการเรียบร้อยผิดปกติพลอยก็ยิ่งปลื้มใจ พลอยอยากจะแสดงความรู้สึกนิยมยินดีที่ตนมีต่อเจ้าคุณพ่อนั้นออกมาให้ปรากฏก็เลยคลานไปหยิบพัดซึ่งเป็นพัดขนกวางนะคะอยู่ที่ริมฝาเรือนพลอยก็หยิบแล้วก็คลานไปพัดให้เจ้าคุณพ่อในขณะที่กำลังรับประทานข้าวอย่างสุดฝีมือนะคะเพราะว่าตอนอยู่ในวังพลอยก็ ต้องเรียนแล้วก็ฝึกวิธีการพัดจับคุณพ่อเหลียวมายิ้มมองดูพลอยเหมือนจะเข้าใจความรู้สึกความหมายของพลอยดีจริงพลอยไม่เสียทีที่ไปอยู่ในรั้ในวังพัดได้เป็นชาววังแท้ๆทีเดียวคำพูดเพียงเท่านี้เป็นการตอบแทนสำหรับพลอยเกินกว่าของมีค่าใดๆจะเปรียบเทียบได้ ระหว่างที่นั่งกินข้าวเจ้าคุณพ่อก็คุยกับคุณหลวงถึงเรื่องเก่าๆที่ผ่านมาด้วยกันบางเรื่องก็เกี่ยวกับราชการที่เคยทำร่วมกันมาบางเรื่องก็เกี่ยวกับความสนุกซุกสนสมัยเมื่อยังเป็นหนุ่มพลอยได้ยินเจ้าคุณพ่อถามคุณหลวงถึงเพื่อนฝูงเก่าๆที่ล้มหายตายจากไปแล้วก็มีบางทีก็พูดกันถึงสถานที่แปลกๆที่พลอยไม่รู้จัก บางครั้งเจ้าคุณพ่อชัมเลืองมาทางเด็กๆแล้วก็ลดเสียงลงมีให้ได้ยินแต่พอลดเสียงที่พูดทีไรก็มกักจะหัวเราะ ก, กันคลื่นเครงเมื่อพูดเสร็จทุกครั้งกระดูเจ้าคุณพ่อของพลอยจะมีความสุขมากเมื่อคองหวานยกเข้ามาตั้งแม่ชั้นก็ออกมาจากหลังเรือนมากราบเจ้าคุณพ่อ เจ้าคุณพ่อก็ทักทายอย่างอารมณ์ดีว่าแมแม่ชั้นไม่ได้พบกันหลายปีทีเดียวยังสวยไม่ตกเลยนะแม่ชั้นหัวเราะท่านก็ปากหวานไม่ตกเหมือนกันละเจ้าค่ะถ้าอีชั้นไม่พบคุณหลวงเสียก่อนปาน่านนี้อีชั้นตามท่านไปแล้วนั่นนะสิป่านนี้มิสบายไปแล้วรึแม่ถ้าท่านต้องการ ผมว่าเดี๋ยวนี้ก็ยังสนองพระเดชพระคุณได้นี่ขอรับผมไม่หวงรอกคุณพ่อของชอยพูดสอดขึ้นมาพูดดีไปเถอะฉันยังไม่แก่เท่านัดดอกนะจะบอกให้บางทีเจ้าคุณท่านอาจจะต้องการคนทำครัวบ้างกระมังแล้วทั้งสามคนก็หัวเราะขึ้นพร้อมกันเออเดี๋ยวนี้ ท่านยังเล่นมรนาะนเอกอยู่หรือเปล่าขอรับทิ้งมาเสียนานแล้วล่ะพ่อนบไม่มีใครจะเล่นด้วยเดี๋ยวนี้ที่บ้านเหลือแต่เครื่องผู้คนมันกระจัดกระจายกันไปไม่เหมือนแต่ก่อนแล้วพ่อนบล่ะยังเล่นคองวงอยู่หรือเปล่าก็ทิ้งมานานแล้วเหมือนกันขอรับก็แสดงว่าแตก่ก่อนเจ้าขุนพ่อของพลอยนั้นเป็นมือมนาะเอกในขณะที่พ่อของชอยที่มีชื่อเดิมว่านบ เป็นคนเล่นคล้องวงนะคะแล้วทั้งคู่ก็รู้จักมักคุ้นกันรู้ฝีมือกันเอ๊พ่อนบฉันว่าเรามาลองฝีมือกันสักทีดีไหมล่ะฉันจะตีระนาดเองพ่อนบตีคล้องวงพ่อของช้อยหัวเรอกกากก่อนจะตอบว่าโอ้ผมตามท่านไม่ทันหรอกขอรับไม่เอาหน้าอย่าทอมตัว ท่านบอกให้ตีก็ตีไปสิมัวตะอิดออดร่ำร่าอยู่ได้ฉันอยากจะฟังเจ้าขุนท่านตีระนาดได้เคยฟังหนหนึ่งเมื่อ ย, ยังสาวยังติดใจไม่หายเลยคุณหลวงได้ยินภรรยาช่วยหนุนก็ปกลงนะค ะ, ะทั้งสองคนก็เดินไปที่วงปีพาดซึ่งทําเพลงจบลงแล้วคุณหลวงเข้าไปกระซิบกระซาบนายวงอยู่ครู่หนึ่งคนระนาดเอกก็ลุกจากที่ เจ้าคุณพ่อก็เข้าไปนั่งแทนคุณหลวงก็เข้านั่งประจาที่ที่คล้องวงทุกคนในงานซึ่งรับอาหารเสร็จก็หันไปมองอย่างสนใจแล้วก็มีการพูดจาซุบซิบกันอยู่เจ้าคุณพ่อก็จับไม้ระนาดลองไล่ลูกดูก่นแล้วก็ขยับกายให้เข้าที่ยกไม้ระนาดทั้งสองชูขึ้นจบเพียงหน้าผากสองมือพนม ระลึกถึงคุณครูอยู่ครู่หนึ่งแล้วก็เริ่มตีคนที่เล่นดนตรีไทยไม่เหมือนดนตรีสากล น, นะคะดนตรีไทยจะมีมิติของความศักดิ์สิทธิ์มีมิติของการระลึกถึงพระคุณครูบาอาจารย์ซึ่งจะต้องตั้งจิตก่อนที่จะเล่นสังเกตดูว่า คนที่เล่นดนตรีไทยนั้นเมื่อจับเครื่องก็จะต้องมีการไหว้ทำความเคารพเครื่องดนตรีทำความเคารพนึกถึงครูบาอาจารย์อันนี้ก็เป็นวัฒนธรรมไทยที่น่ารักนะคะซึ่งฝรั่งไม่ได้มีแบบนี้พลอยตื่นเต้นมากนี่เป็นครั้งแรกที่เคยเห็นเจ้าคุณพ่อ เป็นตัวของตัวเองอย่างสมบูรณ์และก็ที่สำคัญเป็นครั้งแรกที่พลอยจะมีโอกาสเห็นเจ้าคุณพ่อเล่นดนตรีเจ้าคุณพ่อเริ่มต้นตีเบาๆตามทำนองช้าๆเข้ากับเสียงฉิ่งและตะโพนที่ดังเป็นจังหวะสายตาเจ้าคุณพ่อทอดไปข้างหน้าขณะ น, นี้อารมณ์ของท่าน ครุกเคร้าอยู่เฉพาะกับดนตรีโดยสิ้นเชิงเสียงเพลงที่เจ้าคุณพ่อบรรเลงจากระนาดทำให้พลอยเศร้าใจในขั้นแรกเพราะดูเหมือนจะเป็นคำพรรณนาถึงความหลังที่ผ่านไปแล้วอย่างไม่มีวันหวนคืนมาถ้อยคำที่เจ้าคุณพ่อพูดด้วยดนตรีนั้นเต็มไปได้วยความสงสัยเครือบแคลงใจบางตอนก็มีเพาะรำพันถึงความหลัง ปล่อยรู้สึกตื้นตันในอกมีก้อนแข็งแข็งมาจุกที่คอหอยน้ำตาอุ่นๆเริ่มจับที่ขอบตาทั้งสองข้างแต่แล้วเจ้าคุณพ่อก็เปลี่ยนจังหวะเป็นเร็วขึ้นความคืบแคลงสงสัยและความทุกโศกทรมานใจก็ค่อยๆ ค, คลายลงความรื่นเริงเข้ามาแทนที่ระนาด กระชั้นเร็วขึ้นกลายเป็นเสียงคนวิ่งเล่นคนหัวเราะเสียงนกร้องแดดออกยามเช้าดอกไม้บ้านไม้ระนาดที่เจ้าคุณพ่อเหวี่ยงไปมาโดยเร็วตามลูกระนาดกระทบแสงไฟเหมือนกับผีเสื้อสองตัวบินไปเกาะที่ดอกไม้ดอกโน้นบ้างดอกนี้บ้างเร็วขึ้นอีกเร็วขึ้นอีกเสียงชิ่งเสียงฉาบเสียงกรองแขกดังเร้าใจ เจ้าคุณพ่อเปิดเผยให้เห็นความสนุกในชีวิตความขบขันความรื่นเริงของคนที่ปัาศจากความทุกข์น้ำตาของพลอยแห้งหายไปโดยไม่รู้ตัวยังคงนั่งยิ้มมองเจ้าคุณพ่ออย่างตาไม่กระพริบหัวใจเต้นแรงเข้ากับจังหวะของเพลงทุกคนที่นั่งฟังนิ่งเหมือนถูกสะกดไม่มีใครพูดจากับใคร ที่สูบุรี่ก็นั่งถือบุหรี่ปล่อยให้ไหม้ไปเองที่เคี้ยวหมากก็หยุดเคี้ยวนั่งอมหมากอยู่ในปากจนชื้นแม่ชั้นซึ่งนั่งอยู่ใกล้ๆ ก, กับพลอยก็หายใจถี่หายใจแรงจนพลอยได้ยินช้อยพี่เนื่องและพ่อเพิ่มก็นั่งตัวแข็งเลิกพูดจาซุบซิบกันคุณสายค่อยๆ ย, ย่องออกมาจากในเรือนมานั่งลงใกล้ๆแม่ชั้น แล้วก็กระซิบว่าฉันนึกแล้วไม่มีผิดไม่มีใครตีได้อย่างนี้อีกแล้วได้ยินที่ไหนเป็นจำได้ทีเดียวพลอยเหลือไปดูทางด้านหลังเรือนก็เห็นว่าข้างๆรับแลตามประตูทุกช่อง แสงโคมกระทบกับดวงตาหลายสิบคู่พวกคนในบ้านและคนมาช่วยงานพากันเลิกทำงานชั่วคราวเมื่อได้ยินเสียงระนาดอย่างที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนเจ้าคุณพ่อเปลี่ยนจังหวะไปอีกต่อไปนี้เป็นการล้อหลอกระหว่างเจ้าคุณพ่อกับคุณหลวงเจ้าคุณพ่อเป็นคนหนีคุณหลวงเป็นคนไล่เจ้าคุณพ่อเลียวไป เหลียวไปดูคุณหลวงแล้วก็ยิ้มด้วยในกันในขณะที่คุณหลวงก็ใส่หน้าหัวเราะประมาณว่าตามไม่ทันหรือว่าไล่ไม่ทันส่วนมือก็ตีค้องวงตามเจ้าจคุณพ่อตีระนาดหนีต่อไปอีกแล้วก็หยุดปล่อยให้คุณหลวงตีค้องวงตามจนทันแล้วเจ้าคุณพ่อก็หนีต่อไปอีกจนในที่สุดคนทั้งสองก็ก้มหน้าตีอย่างเร็ว ปล่อยลูกหมดไปจนจบเพลงเมื่อจบแล้วเจ้าคุณพ่อก็วางไม้ระนาดยกมือขึ้นไหวครูอีกทีหนึง่งจากนั้นก็หัวเราะทุกคนในวงปีพาดก้มตัวลงกราบพร้อมกันนี่เป็นการเคารพในฝีมือไม่ใช่กราบยศศัก์อัครฐาน ส่วนคุณหลวงก็ยกมือขึ้นไหวหลายหุนโครงศีรษะหัวรอะท่านตีอย่างนี้ผมแย่ตามไม่ทันเลยเจ้าคุณพ่อทักทายแขกเกลือที่นั่งอยู่ในบริเวณนั้นอีกสักครู่หนึง่งแล้วก็ลากกลับแต่ก่อนที่จะกลับเจ้าคุณพ่อก็หันมาบอกพรอยว่าพรอยพ่อจะกลับก่อนแล้วนะแล้วพรุ่งนี้พ่อจะมาใหม่ นั้นพลอยเข้านอนด้วยความเหนื่อยอ่อนแต่ความรู้สึกในใจเต็มไปด้วยความสุขอยากที่ไม่เคยมีมาก่อนวันนี้เป็นวันที่พลอยมีชีวิตเต็มสมบูรณ์ ได้ถูกรับรองต่อหน้าผู้คนเป็นอันมากว่าพลอยเป็นลูกเจ้าคุณพ่อผู้เป็นที่นับถือของคนทั้งหลายและเป็นผู้ที่คนทั้งหลายให้ความสนใจอย่างยอดเยี่ยมไม่ว่าเจ้าคุณพ่อจะพูดหรือว่าทำสิ่งใดผู้คนก็พากันสนอกสนใจไปหมดความสนใจในตัวเจ้าคุณพ่อทำให้พลอย จะรับส่วนสะท้อนจากความเป็นยอดเยี่ยมของท่านในงานนั้นแทนที่พลอยจะเป็นคนที่ต้องตามหลังช้อยหรือเพียงแต่คู่เคียงกันพลอยกลับจะออกหน้าช้อยไปในด้านความสำคัญแต่ความพอใจของพลอยมีได้อยู่ที่ข้อนี้ที่พลอยพอใจแล้วก็มีความสุขมากก็เพราะว่าเจ้าคุณพ่อได้มาในงานเพื่อพิสูจน์ให้ปรากฏว่า พลอยมีใช่เด็กที่ไร้ญาติขาดมิตรแต่เป็นผู้ที่มีบิดาเป็นผู้ใหญ่ที่คนจักนับถือได้คืนนั้นพลอยก็ได้คุยกับชอยเกี่ยวกับเรื่องนี้พลอยฉันดีใจเหลือเกินที่เจ้าคุณพ่อของพลอยท่านมาวันนี้ทำไมเหรอชอยเอาก็ดีใจนะสิ ที่จะคุณพ่อของพลอยท่านมาช่วยงานใครๆเขาก็ดีใจกันทั้งนั้นแล้วท่านก็น่ารักออกจะตายชอยนึกอย่างนั้นจริงๆเหรอพูดโทษไม่นึกจริงฉันจะพูดไปอย่างนั้นทําไมล่ะแม่พลอยก็จริงๆนะพ่ออย่างนี้ให้ฉันก็เอาชอยก็คุณพ่อของช้อยก็น่ารักมากเหมือนกันให้ฉัน ฉันก็เอาอีกนั่นแหละนั่นนะสิเราสองคนเนี่ยแลกพ่อกันได้ทีเดียวนะไม่มีใครเสียเปรียบใครรอกและเด็กทั้งสองก็คุยกันเรื่องความดีของพ่อตนตามประสาเด็กไปจนกระทั่งช้อยเหลือแต่เสียงกรนพลอยจึงได้หลับตามไปในเวลาไม่ชา้ารุ่งขึ้นเป็นมันกวนจุกนะคะแล้วก็เป็นวันทำขวัญช้อยและพลอย ต้องถูกทรมานด้วยการเปลี่ยนเครื่องแต่งตัวถึงสองครั้งแต่งเครื่องขาวโกนจุกครั้งหนึ่งแล้วก็เปลี่ยนเป็นเครื่องแต่งตัวทำขวัญอีกครั้งหนึ่งเจ้าคุณพ่อมาตั้งแต่เช้าตามที่นัดไว้แล้วก็อยู่ร่วมงานไปจนกระทั่งทำขวัญเสร็จหลังจากเมื่อคืนเจ้าคุณพ่อก็รู้สึกว่าเป็นกันเองและสนิทสนมกับคนในบ้านรวมไปถึงแขกเรือทุกคนดียิ่งขึ้นกว่าเก่า เมื่อเสร็จงานเจ้าคุณพ่อก็เรียกพลอยเข้าไปใกล้ๆส่งหีให้ใบหนึ่งแล้วก็บอกว่านี่แน่พลอยพ่อทําฝันเจ้าในงานโควนจุกเปิดออกดูสิถูกใจไหมพลอยก้มกราบเจ้าคุณพ่อด้วยมือที่สั่นระรวัวเพราะว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ได้รับของจากเจ้าคุณพ่อโดยตรง ในหีบนั้นมีจี้อันใหญ่ฝังเป็นจี้อันใหญ่ที่ตรงกลางเนี่ยฝังมรกรค่อนข้างใหญ่แล้วก็มีเพชรซีกล้อมรอบนอกจากนั้นยังมีกำไลเล็กๆพอขนาดข้อมือของพลอยอีกคู่หนึ่งฝังเพชรลูกกับนินสีดอกตะแบกสลับกันพลอยนั่งก้มหน้าหยิบของแต่งตัวแล้วก็วางไม่รู้ว่าจะพูดจาว่าอะไรถูก ชอบอย่างไหนพลอยพลอยหยิบจี้ซึ่งมีลักษณะเป็นของโบราณขึ้นให้ดูฮึไม่เสียทีที่เป็นลูกพ่อจี้อันนั้นราคาไม่ถึงกำไรข้อมือเพราะเป็นของเก่าคนเขาไม่ค่อยชอบกำไรคู่นั้นเป็นของนอกพ่อเพิ่งสั่งซื้อมาแต่จี้เป็นของคุณย่าของเจ้าเจ้าก็ชอบถูกทีเดียวพลอยดีใจ ที่เจ้าคุณพ่อชมว่าเลือกของได้ถูกสำหรับช้อยเจ้าคุณพ่อทาขวัญแหวนงูวงหนึ่งขณะนั้นแม่ฉันก็เข้ามานั่งอยู่ข้างๆแล้วก็ช่วยดีใจแทนเด็กทั้งสองคนอีกยกใหญ่เจ้าคุณพ่อนั่งคุยอยู่อีกเล็กน้อยฝากฝังพลอยกับคุณสายอีกตามสมควรแล้วก็ลากลับไปงานกวนจุกของพลอยและช้อย ทำไปอย่างเรียบร้อยไม่มีอุปสรรคเมื่อเสร็จงานพรอยก็อยู่กับช้อยที่บ้านต่อไปอีกสองวันเพราะคุณสายยังเก็บของไม่เสร็จทำให้เพิ่มความสนิทสนมกับคนในบ้านมากยิ่งขึ้นแม้ฉั้นนั้นออกปากว่าเมื่อนึกถึงวันที่เด็กจะต้องกลับเข้าวังก็ใจหาย ทำให้คุณสายต้องโหระห์เหึๆแล้วก็ตอบว่าถ้าขืนปล่อยให้อยู่ที่นี่ต่อไปอีกสักเจ็ดวันคงจะกลายเป็นโจรไปทั้งสองคนเพราะมีแต่คนช่วยตามใจส่วนพี่เนื่องก็ให้สัญญาว่าเมื่อพลอยกระช้อยกลับไปแล้วจะพยายามไปหาให้บ่อยที่สุดในที่สุดวันที่จะต้องกลับเข้าวังก็มาถึงคุณสายหอบข้าวของพรุงผรังขึ้นรถกลับตามทางเดิม มีพี่เนื่องมาส่งจนถึงประตูข้างนอกพอเดินผ่านประตูชั้นในกับตำหนักก็มีคนรู้จักทักกันเกลียวกราวเหมือนเมื่อวันแรกที่พลอยเข้าวังมากับแม่ผิดกันแต่ที่ว่าคราวนี้พลอยรู้สึกตัวว่าเป็นผู้ใหญ่คุ้นเคยต่อโลกคุ้นเคยต่อเหตุการณ์คุ้นเคยต่อคนทั้งปวงเป็นคนมีหลักฐานมากกว่าวันแรกที่เข้ามาในวงัง พอคุณสายพรอยและช้อยเดินทางมาถึงตำหนักยังไม่ทันที่จะได้เข้าห้องก็มีข้าหลวงคนหนึ่งรีบมาหาคุณสายบอกว่าเสด็จรับสั่งให้คุณสายขึ้นเฝ้าในทันทีที่มาถึงข้าหลวงคนนั้นมองพรอยแบแบแปลกๆแต่พรอยก็ไม่ได้เฉลียวใจคุณสายรีบเปิดห้องแล้วก็บอกให้เด็กๆ ช่วยกันเอาของเข้าไปเก็บในขณะที่ตัวเองก็รีบขึ้นบันไดไปชั้นบนของตำหนักเพื่อเข้าเฝ้าเสด็จคุณสายขึ้นไปนานและเมื่อกลับลงมาก็มีอาการตาบวมแดงเหมือนกับร้องไห้มาใหม่ๆพอมาถึงก็เรียกพลอยและช้อยให้ช่วยกันรื้อของออกจากหีบโดยไม่ยอมพูดอะไรด้วยทั้งสิ้น จนกระทั่งถึงตอนคำ่ำคุณสายเรียกพลอยเข้าไปในห้องสองต่อสองร้องไห้แล้วก็บอกให้พลอยรู้ว่าแม่ของพลอยนั้นตายเสร็จแล้วที่ฉะเชิงเสาเพราะว่าลูกในท้องคลอดก่อนกําหนดแม่อยู่ได้สองวันก็ตายก่อนตายมีได้สั่งเสียอะไรญาติทั้งโนูน้นก็ช่วยกันเผาศพจนเสร็จไปแล้วเสด็จเพิ่งจะส่งทราบแน่เมื่อวานนี้ ฉึงรับสั่งเรียกคุณสายขึ้นไปแล้วก็มอบภาระให้บอกแกพลอยให้ทราบ